เจ ร, ริท่านผู้ในการท่านรองถูกทุกท่านเราได้ศึกษาได้ฟังธทำเกิดมาพอสมควรแต่ปัญหาใหญ่ของเราชาวพุทธก็คือเราเรียนแล้วบางทีมันไม่เข้าแก่นเข้าสาระแก่นสารที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการศาสนาพุทธไม่ได้เรียนเอาไว้เล่น ไม่ได้เรียนไว้คุยกันสนุกสนุกไว้เฉียงเป็นปรัชญาไม่ได้เรียนแค่นั่งสมาธิให้จิตใจสงบนะไม่ได้เรียนแค่จะทําทานรักษาศีลเพื่อจะได้ไปสวรรค์มันไม่ตื้นอย่างนั้นหรอกคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะเป็นศาสตร์ที่จะปลดเลือกความทุกข์ออกจากใจเราในขณะนี้เลยสดๆร้อนๆ น, นี้แหละไม่ใช่ต้องรอรหลายๆชาติแล้วถึงจะพ้นทุกข์ได้ ธรรมะของท่านเป็นของที่เฉียบแหลมเฉียบคมที่สุดนะสมเหตุสมผลที่สุดนะเป็นศาสตร์อันนึงถ้าเราไม่ถ้าเรามองแบบใช้ทฤษฎีตะวันตกมาจับเนะี่ยพระพุทธาศาสนาไม่ใช่ศาสนาหราเราไม่ได้เชื่อพระจงพระเจ้าไม่ได้เชื่ออะไรที่เหนือธรรมชาติเลยแต่ว่าเป็นการเป็นศาสตร์อันนึ่งนะเป็นศาสตร์อันนึง แต่ละศาสตร์เนะี่ยมันก็ตอบคําถามเฉพาะของตัวเองได้อย่างแพทยศาสตร์นะเขาก็ตอบคําถามว่าเขาจะรักษาโรคยังไงนิติศาสตร์เขาก็ตอบว่าเขาจะรักษาความเที่ยงธรรมได้ยังไงรัฐศาสตร์เขาจะปกครองให้ดีจะทํำยังไงแต่ละศาสตร์มันจะมีเป้าหมายของตัวเองเพราะพุทธศาสนาก็มีมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์คนจริงใช้คําผิดต้องใช้คำว่าวัตถุประสงค์มีอภิสิทีพ วัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือเราศึกษาเพื่อจะถอดถอนความทุกข์ออกจากตัวเราให้ได้ออกจากใจเราให้ได้ความทุกข์มันอยู่ในสองที่ความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางจิตใจความทุกข์ทางร่างกายนั้นเราแก้ไม่ได้หรอกเมื่อเราเกิดมาแล้วนะเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายให้วิเศษวิโสแค่ไหนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดมาหนึ่งวันก็แก่หนึ่งวันนะไม่ใช่ต้องร้อยปีถึงจะแก่หรอกความเจ็บ มีอยู่ตลอดนะถ้าดูเป็นความตายมีอยู่ทุกขณะทุกขณะอย่างตายจากความเป็นเด็กควาเป็นโตขึ้นมาอะไรเงี้ยมีร่างกายก็ต้องทุกข์เพราะร่างกายอันนี้แก้ไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่นั้นมันทุกข์สองชั้นถ้าร่างกายไม่สบายนะใจก็ทุกข์ด้วยหรือร่างกายยางสบายดีอยู่เลยมีสิ่งที่มากระทบทางใจเ mm hmm. ช่นพลัดพรากจากคนที่รักได้เจอกับสิ่งที่ไม่รักอนะไรเนี้ย หวังแล้วไม่ได้อย่างที่หวังอย่างหวังว่าจะได้สองขั้นขั้นครึ่งนะไม่ได้ผิดหวังก็เป็นทุกข์ความทุกข์อย่างนี้เป็นความทุกข์ทางใจนะถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาให้ถ่องแท้แล้วเนี่ยเราจะถอนความทุกข์ทางใจออกได้ในเวลาไม่นานขอย้ำคำ ว, ว่าไม่นานนไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยๆนะหลายสิปีจนแก่แล้วจะไปค่อยพ้นทุกข์ทีหลังถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยจะต้องได้ผลเร็ว คนที่เรียนกับหลวงพ่อนะบางคนเดือนหนึ่งสองเดือนมีเมื่อไม่กี่วันเนี้มาส่งกันบ้านมารายงานการปฏิบัติไม่ถึงเดือนเลยไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยแค่ฟังซีดีนะไม่ทันจะถึงเดือนเลยเขาสามารถปฏิบัติจนกระทั่งพระเนี่ยกลัวเลยพระที่ไม่ได้ยินนะพระอาจารตุ ก, กะมานั่งฟังอยู่ด้วยนะเขาเพิ่งรายงานบอกว่าเขาเห็นแล้วว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันเพราะเห็นแล้วว่าความสุขความทุกข์นะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจเขาเห็นแล้วว่า กิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตใจเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตใจเป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์และจิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดนะนี่เห็นได้ขนาดนี้นะไม่ถึงเดือนเลยถ้าเราปฏิบัติไม่เป็นเรไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัติเราฟังเขาส่งกันได้เขารายงานการปฏิบัตินี้เราไม่ตื่นเต้นหรอกแต่ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติเราจะตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆว่าทําได้ยังไงในเวลาเดือนเดียวธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องไม่เนิ่นช้าไม่ช้าหรอก ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วลงมือปฏิบัติให้มากพอสองเงื่อนไขนะอันแรกรู้หลักของการปฏิบัติให้ถูกต้องซะก่อนถ้าปฏิบัติผิดอยากจะไปเชียงใหม่นะแล้วก็เดินไปทางตะวันออกเนี่ยเดินขยันเดินเนี่ยก็ยิ่งไกลเชียงใหม่ไปเรื่อยๆไปไม่ถึงหรอกงั้นอันแรกเลยเราต้องรู้หลักปฏิบัติให้แม่นซะก่อนเมื่อได้หลักปฏิบัติที่แม่นยำแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัติให้มากๆนะแม้ปฏิบัตินี้ิดหน่อยหนอมันก็ได้นิดนหน่อยๆ แต่จุดสาคัญก็คือหลักปฏิบัติต้องแม่นเสีย ก, ก่อนนี่คนส่วนใหญ่นะพอคิดถึงการปฏิบัติธรรม ท, ทีไรเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราคิดนะนั่งสมาธิเดินจงกรมอันนั้นมันแค่รูปแบบของการปฏิบัตินั่งสมาธิอย่างไรถึงจะถูกเดินจงกรมอย่างไรถึงจะถูกซึ่งเราเนี้ยต้องเรียนจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมนะมันมี2 ส, ส่วนเพระนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกใจิตใจของเราเนี่ยมี2 ง, งาน งานหนึ่งชื่อว่าสมถะกรรมฐานการฝึกจิตใจให้มีความสุขมีความสงบมีความดีแทนจิตใจมันมีความโกรธเกิดขึ้นบ่อยๆนะฝึกยังไงให้มันไม่โกรธนะอย่างคนขี้โมโหนะถ้ามาฝึกสมถะฝึกจิตใจให้มันสงบวิธีจัดการจริตใจที่โมโหเจริญเมตตาแผ่เมตตาไปเรื่อยๆนะคิดถือคนอื่นในแง่ดีคําว่าเมตตาไม่ใช่ไปนั่งท่องสเพสตัตาเวลาใดๆนั่นท่องแต่ปากนะ คำว่าเมตตาคำว่าไมตรีคำว่ามิตรเนี่ยคำเดียวกันคือเรามีความรู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่นไหมมีความรู้สึกเป็นมิตรกับสัตว์อื่นไหมถ้าเรามีความรู้สึกเป็นมิตรเนั่นเรียกว่าเรามีความเมตตาจริงๆไม่ใช่มีแต่ปากนะมือก็เชื่อดคอไปแล้วปากก็เมตตาไปไม่ได้ผลอะไรนั้นถ้าเราจะให้จิตสงบนะถ้าขี้โมโหเรากจเจริญเมตตาไม่เป็นตัวอย่างนะถ้าจิตเรามีแต่ราคะโลภมากนะ ก็พิจารณาร่างกายพิจารณาปฏิทูณาสุภาพอะไรเนี่ยอย่างเจอสาวที่ไหนก็หลงรักตลอดนะก็มาดูร่างกายสาวก็โศกปลกมีหนังหุ้มอยู่นะมีรูรั่วเยอะแยะเลยมีของสขโสโครกไหลออกมาตลอดเวลาอยาพิจารณอย่างนี้นะราคาก็หายจิตใจก็สงบเลยใจฟุ้งซ่านก็มานั่งหายใจหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่กับลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนจิตก็สงบ อันนี้แหละเรียกว่าสมถกรรมฐานสมถะกรรมฐานทําไปเพื่อให้จิตใจมีความสุขมีความสงบนะจิตใจได้แช่มชื่นเบิกบานได้พักผ่อนแต่คนที่พักผ่อนมากๆยังไม่เรียกว่าได้ลงมือปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มีแค่ทําความสงบการปฏิบัติธรรมที่สำคัญนะที่เป็นงานหลักจริงๆเลยเป็นงานหลักจริงๆสําหรับนักปฏิบัติคือการเจริญปัญญาหรือการทํำวิปัสสนากรรมฐาน ถ้าเราทำแต่ความสงบเราไม่ขึ้นมิปัสสนานี่ว่าเรายังไม่ได้สาระแก่นสารอะไรที่แท้จริงเลยสมถากรรมาฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเอนะแต่มันเป็นเรื่องปกติเลยที่ว่าเวลาใครคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่จะทำก็คือทำสมาธิแบบนิ่งๆ น, นั่นแหละกระทั่งเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะบารมีเต็มแล้วนะนะออกมาบวชออกมาบวชงานแรกที่เจ้าชายสิทธัตถะทำก็ไปหาฤาษี ให้หัดนั่งสมาธิเห็นไหมก็เหมือนพวกเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมนั่งงานแรกที่คิดถือก็คือไปนั่งสมาธิก่อนนั่งไปทําอะไรนั่งให้จิตสงบในเจ้าชายเศรษฐาบารมีท่านมากท่านฝึกอยู่ไม่กี่วันนะบอกเพิ่มสักเจดวันอะไรเงี้ยเข้าสมาธิได้ถึงขีดสุดที่ฤาษีเข้าได้แล้วนะถึงฌานที่แปดนะั้นอาจารย์ก็บอกว่าให้ช่วยกันสอนแต่ท่านบอกว่ามันไม่มีสาระแก่นสารเลยเข้าสมาธิจิตใจก็มีความสุขมีความสงบเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิ ออกจากสมาธิมันก็ทุกอย่างเก่าไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ทางนี่ท่านฝันทงมาตั้งแต่สองพันหกร้อยปีก่อนนะว่าไม่ใช่ทางนะของเรายังชอบทำอย่างนั้นนะอย่าก็นั่งให้นิ่งๆให้ซึมๆไปแลซึมใต้ที่แล้วว่าดีนะไม่ได้เรื่องรอยสิ่งสําคัญนะก็คือการเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาต้องใช้สมาธิเหมือนกันแต่สมาธินั้นมันคนละแบบ ก, กัน สมาธิที่ใช้ทำความสงบเนี่ยเราน้อมจิตเคล็ดลับเลยนะใครที่ชอบนั่งสมาธิเยบอกเคล็ดลับให้แล้วต่อไปนี้การนั่งสมาธิให้จิตสงบจิตเป็นเรื่องหมูที่สุดเลยหมูมากมากแบบหมูหยองเลยนะละเอียดยิบง่ายๆไม่เคี้ยวง่ายเลยเคล็ดลับที่จะทําให้จิตสงบนะต้องรู้จักเลือกอารมณ์การที่จิตของเราไม่สงบมันฟุ้งซ่านไปนะเพราะว่าจิตมันเที่ยวสแสวงหาความสุขมันอยากมีความสุขมันก็วิ่งไปดูรูป เช่นวิ่งไปดูหนังไปดูหนังเสร็ก็มีความสุขแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดความสุขแล้วก็วิ่งต่อไปไปฟังเพลงนี้จากนั้นก็ไม่มีความสุขอีกแล้วก็วิ่งไปหาของกินอร่อยๆอเนี่ยเราวิ่งหารูปนะที่สวยเสียงที่เพราะที่ถูกถูกใจวิ่งหากลิ่นหารสหาสัมผัสที่น่าเพลิดเพลินการที่ใจเราวิ่งพลานหาความสุขไปเรื่อยๆทาให้ใจมันฟุ้งซ่าน งั้นเคล็ดลับในการทําสมถะกรรมฐานเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยเรามาฝึกจิตนะเรามาดูตัวเองก่อนว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขถ้าเราอยู่กับพุทธโธแล้วมีความสุขเราก็ใช้พุทธโธเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้ลมหายใจรู้ไปอย่างมีความสุขเคล็ดลับของการทําสมถนะนัคือคําว่าความสุขนั่นเองในอาพิธรรมจะสอนเรื่องความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ ถ้าไม่มีความสุขจิตจะไม่มีสมาธินี่เป็นเคล็ดลับเลยนะวันนี้บอกโน้ตหาวให้เลยนะเนี่ยเป็นวิธีการที่ในตำราอนะตำราสอนสมถะสมฐาน40วิธีสอนมีปรั ส, สนาสอนในตำรามีเหมือนกันนะแต่ว่ามันทำไม่ได้เหมือนกันมันไม่มีเคล็ดลับงั้นถ้าเราจะฝึกจิตให้สงบเนี่ยนะเคล็ดลับก็คือรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขนะอย่าไปบังคับจิตตัวเองอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็ก7ขวบเนี่ยหลวงพ่อฝึก อาณาปาสติเพินเพินพ ม, พ ม, มันบุญนั่นแหละนะมันถูกจริตรู้ลมหายใจแล้วมันมีความสุขงั้นหายใจนะจิตใจมีความสุขจิตใจก็ให้สงบสงบนะลมหายใจทีแรกก็หายใจลงไปถึงท้องลมก็ตื่นตื่นตื่นตื่ น, น, นสั้นขึ้นเรื่อยๆมาหยุดอยู่ที่จมูกนิดเดียวแล้วลมหายใจก็เปลี่ยนสภาพเป็นแสงสว่างตอนเด็กๆไม่รู้เรียกชื่อไม่เป็นหรอกถ้าเรียกชื่อตามตำราจริงๆแล้วตัวลมหายใจนี่เรียกว่าบริกรรมนิมิต บริกรรมนิมิตเนี่ยเรารู้ไปอย่างสบายใจทําสบายๆมันจะกลายเป็นอุคหะนิมิตอุคหะนิมิตจะกลายเป็นตัวสว่างเป็นดวงสว่างขึ้นมาในจิตเราเค้าเคลียอยู่ที่ดวงสว่างนี้นะคือกระทั่งเล่นกับมันได้จะให้นึกให้มันโตน้ําก็โตนะ้ย่อลงมาเท่าปลายเข็มมันก็ย่อได้นะอย่างเนี้ยเล่นยืดได้หดได้อยู่นะี่นะสนุกมากเลยตรงที่ดวงนิมิตมันปรับได้ตามใจชอบเรียกว่าปฏิภาคนิมิตถ้าเราได้ปฏิภาคนิมิตเนี่ย ถ้าเราทำต่อไปนะจิตจะเข้าสมาธิที่ลึกลงไปแล้วมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งขึ้นมาแม้เคล็ดลับอยู่ที่ความสุขงั้นเริ่มต้นอย่าไปนั่งเริ่มต้นด้วยการบังคับตัวเองนะเรานั่งหายใจไปก็หายใจด้วยความสุขดูท้องฟองยุบก็ได้ดูท้องฟองยุบ อ, อ, อย่างมีความสุขเดินจงกรมอย่างมีความสุขถ้าใจเรามีความสุขใจเราจะสงบสงบแล้วได้ไรได้เรียวได้แรงเหมือนร่างกายเราก็ต้องการพักผ่อนจิตก็ต้องการพักผ่อน ร่างกายเราพักผ่อนด้วยการไปอาบน้ําไปกินข้าวไปนอนนะได้แรงขึ้นมามีแรงแล้วไปทํางานจิตใจนี้ก็เหมือนกันเราให้มันพักผ่อนอยู่ในอารมณ์มันเดียวสบายมีความสุขแล้วจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ต้องเอาไปทํางานงานหลักของเราก็คือการเจริญปัญญาหรือการทำํำวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นทําไปเพื่ออะไรวิปัสสนากรรมฐานนั้นทําไปเพื่อให้เห็นความจริงของสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเรา ความจริงของกายความจริงของจิตใจความจริงของมันก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตานะคือไตร ล, ลักษณ์ไม่ใช่ปฏิกูระสุภาพนะปฏิกูระสุภาพไม่ใช่ความจริงเป็นสมมุติบัญญตัตินั้นเราจะต้องเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจตัวเองเห็นแล้วได้อะไรเห็นแล้วจะคลาย ค, ายความยึดถือพระเจ้าท่านสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นก็คือไม่ยึดถือนั่นเอง ทุกวันนี้ที่เรายึดถือกายยึดถือใจเป็นตัวเราของเราเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่ากายนี้เป็นของดีใจนี้เป็นของดีพวกเรารู้สึกไหมร่างกายเราเนี่ยมีสุขบ้างมีทุกบ้างรู้สึกไหม่างนี้ในร่างกายเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกบ้างจิตใจของเราก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกบ้างรู้สึกไหมเนี่ยแหะเป็นความรู้สึกทั่วๆไปยังมีช้อยให้เลือกและยังมีสุขกับทุกอยู่ เพราะฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยไม่มีทางปล่อยวางร่างกายไม่มีทางปล่อยวางจิตใจของตัวเองได้เลยเพราะมันมีความสุขมาล่อมันยังไม่เห็นความจริงถ้าเมื่อไหร่เราเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยคนไม่มีปัญญาตอนทุกข์น้อยก็ว่ามันเป็นความสุขจิตใจก็เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยคนที่ไม่มีปัญญาก็เห็นตอนที่ทุกข์น้อยเป็นความสุขไปเนี่เราต้องมาฝึกนะจนเห็นทุกข์แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยเราจะคลายความยึดถือลงงไปเอ ก็กายนี้เป็นทุกข์รุ่นรนจะไปยึดมันทำไมจิตนี้เป็นทุกข์รุ่นรุจะไปยึด mm มันทําไมถ้าหมดความยึดถือได้เราจะสัมผัสความสุขซึ่งเป็นอมตะความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขที่พวกเราสัมผัสทุกวันนี้เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองความสุขจำปลอมนะสั้นๆเหมือนเราวิ่งไล่จับเงาตัวเองจับเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีมีความสุขเหมือนกับความสุขมาอยู่ต่อหน้านะพอจะตะครุบไว้ก็หายไปทุกครั้งเลยเนี่ยในชีวิตเราเที่ยวหาความสุขอยู่นะ เราหาความสุขไม่เจอเพราะพุทธเจ้าเนี่ยท่านอัศจรรย์มากเลยแทนที่จะสอนให้เราหนีความทุกข์ให้เราสแสวงหาความสุขท่านไม่สอนอย่างนั้นถ้าสอนให้เราหนีความทุกข์นะก็สุดโตไปข้างหนึ่งสอนให้เราสแสวงหาความสุขก็สุดโตไปข้างหนึ่งถ้าหนีความทุกข์นะก็บังคับตัวเองมากไป ถ้าจะสแสวงหาแต่ความสุขก็กหลงโลกมากไปอันหนึ่งก็เรียกว่าตามสุ ข, ขาริการยุโยคหลงโลกไปเลยนะอันหนึ่งบังคับตัวเองรุนแรงเรื่องอัตตาจิลมัตตาโยกพระเจ้าไม่ได้เอาวิธีเหล่านี้มาใช้ท่านค้นพบทางสายกลางทางสายกลางนะไม่ใช่หนีทุกข์ไม่ใช่หาสุขแต่เป็นการรู้ทุกข์เห็นไหมเป็นเรื่องประหลาดไหมทุกต้องรู้เคยได้ยินไหมว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละ น, นิโรธทําให้แจ้งมรรคทาให้เจริญ นี่คืองานที่เราอยูต้องทํานะที่จะพัฒนาจิตใจให้เกิดสติปัญญาสติปัญญาที่แท้จริงที่จะพาให้เราพ้นโลกได้คือเห็นความจริงของกายของใจว่ามันเป็นตัวทุกขนะ์นะเรียกว่ารู้ทุกข์ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นความจริงของกายของใจได้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแล้วก็มันจะหมดความอยากตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วความอยากนานาชนิดมันจะเป็นแค่ว่าอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ แต่ถ้าเมื่อไหรจิตมันเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความอยากให้กายพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะมันรู้อยู่แล้วมันเป็นตัวทุกข์มันพ้นไม่ได้ความอยากให้กายเป็นสุขก็ไม่มีเพราะมันเป็นตัวทุกข์เนี่ยจิตใจมันรู้นะปัญญามันเกิดมันจะรู้เลยว่ามันไม่มีความสุขในกายในใจนี้นะไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์อยากไปก็ป่วยการยิ่งอยากยิ่ ง, งทุกข์มากกว่าเก่าเนี่ยใจถ้ารู้ทุกข์แจมแจ้งนะจะละสมุทยัยคือละความอยากอัตโนมัติเลย เนี่ยที่พวกเราก็เคยเรียนอริยสัจใครรู้จักบ้างไม้มอริยสัจเป็นชาวพุทธไม่รู้จักมนะันแย่มากนะแย่สุดๆเลยขอบประนาม <c oughs> อริยสัจท่านสอนเรื่องทุกข์ใช่ไหมสมุทยัยที่รอดมากอะไรเป็นทุกข์ท่านใช้คํานี้เลยนะสังขิตเตนะปัญจุ ป, ปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ขันทั้งห้าขันทั้งห้าจริงๆย่อลงมาก็คือรูปประนามคือกายกับใจนี่เอง งั้นถ้าได้ยินคําว่าทุกเนี่ยไม่ใช่ทุกทรมานนะไม่ใช่ทุกทรมานแต่คําว่าทุกขในอริยสัจเนี่ยคือกายกาับใจของเรานี่แหละหน้าที่เราต้องรู้กายรู้ใจอะไรเป็นตัวสมุทัยก็คือความอยากให้ละเสียวิธีละละได้หลายแบบละชั่วคราวกับละถาวรละชั่วคราวนะถ้าความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันนะความอยากจะหายอันตโนมัติเพราะความอยากเป็นกิเลสถ้าเมื่อไร่มีสติเกิดกิเลสจะดับอันตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะ กิเลสจะไม่เกิดร่วมกับสติเด็ดขาดเลยเราั้นเราไม่ต้องหาทางล้กิเลสเลยนะแค่รู้ทันว่ากิเลสเกิดมีสติรู้ทันเท่านะั้นกิเลสจะดับอัตโนมัติเลยนี่เป็นกฎของธรรมะที่ที่เราไม่เข้าใจใเวลากิเลสเกิดเราหาทางล้กิเลสดิ้นสู้กันแทบตายเลยง่ายๆแค่นั้นเองมีสติรู้ทันเท่านั้นเองนะอันนี้ล้าได้ชั่วคราวความอยากมีตัณหามีความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันมันดับชั่วคราวแต่จะล้ได้ถาวรแบบพระละหันกนะ็ต้องรู้ทุกข์แจ่มแจ้ง นะถ้าเมื่อใดเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆ น, นะเมื่อนั้นจะหมดความอยากอยากให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ไม่มีอีกต่อไปทันทีที่พ้นความอยากในขณะนั้นจะแจ้งพระนิพพานจะแจ้งพระนินโรธเลยนิพพานงั้นในขณะใดรู้ทุกข์ขณะนั้นละสมุทยัยขณะใดละสมุทัยขณะนั้นแจ้งนิโรธในขณะนั้นแหละคืออริยมรรคงั้นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยสี่อันเนี่ยนะเราทําหน้าที่ ต่อทุกสมุทัยนี่ร้อนมากเนี่ยเสร็จในขนาจิตเดียวเท่า น, นั้นเองในแว บ, บเดียวเท่า น, นั้นเองนี่เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะซึ่งไม่ใช่ภูมิปัญญาระดับพระพุทธเจ้าไม่มีทางเห็นเลยขนาดท่านเอามาสอนเราเรายังเห็นตามได้ยากเลยพวกเราเกลียดทุกไหมมีใครอยากรู้ทุกไหมเวลาทําบุญใครเคยอธิษฐานเจ้าประคุณขอให้ไกลความทุกเหมือนโยอดแสนยอดใครเคยอธิษฐานอย่างนี้บ้างไหมทานองเนี้ยอย่าให้ได้เจอความทุกข์อีกเลย ถ้าอาธิษฐานอย่างนี้นะถ้าแปลให้ถูกต้องตามธรรมะเจ้าประพูดอย่าได้เจอทิพานเลยเพราะไม่รู้ทุกก็ไม่มีทางนิผ่านนะถ้ารู้ทุกได้มันก็ยังไม่ยึดถือกายยึดถือใจนะีนวิธีการปฏิบัตินี่เราพ่อพูดถึงวิธีการแล้วนะนี้พูดถึงหลักการหลักการว่าเราต้องมารู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงวนะ่มันไม่ใช่ของดีมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเรียกว่ามันเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคัน้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์เราจะเห็นทุกข์ของกายของใจได้เนี่ยมีวิธีการที่เรียกว่าวิปัสนากรรมฐานเพราะเราอย่าตกใจกับคำว่าวิปัสนาคําว่าวิปัสนามาจากคาว่าวิกับคาว่าปัตส น, นะนะมาต่อกันสองคำนี้มาก็เรียกสมาธิกันมาต่อกันปัตสนะเพราการเห็นวิแปลว่าแจ้งวิปัสนาก็คือการเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องนั่นเอง หน้าที่เราเราเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงนะอย่างสมมติว่าเราเป็นผู้บังคับบัญชาเราอยากรู้ว่าตัวจริงของลูกน้องเราเป็นอย่างไรแจะทํำยังไงเราต้องสังเกตเอาใช่ไหมว่าจริงๆลูกน้องเราเป็นยังไงถ้าเราเทียบมากเลยนะหลวงพ่อเคยเจอแม่ทัพท่านหนึ่งไปคุยกับหลวงพ่อบอกลูกน้องเขาเรียบร้อยมากเลยเวลาเดินเข้าไปในกองพลเนี่นะคลุบเลยเรียบร้อยหมดเลยบอกท่านในพลอยากเห็น ตัวจริงของลูกน้องต้องแอบดูนะอืถ้าไปควบคุมมากบังคับมากเราไม่ได้เห็นตัวจริงงั้นจิตใจเราจะดูความจริงของกายของใจอย่าไปบังคับมากในขณะเดียวก็อยาลืมกายลืมใจถ้าเราลืมกายลืมใจของตัวเองเราก็ไม่สามารถเรียนรู้ตัวเองได้ไม่เห็นความจริงของกายของใจแต่ถ้าเราบังคับกายบังคับใจมากกายกับใจก็ไม่แสดงความจริงให้ดู งั้นถ้าเราจะทำวิปัสสนากรรมฐานเราต้องเดินในทางสายกลางคือรู้ตามความเป็นจริงนะไม่ใช่บังคับแล้วก็ไม่ใช่หลงลืมถ้าเราหลงลืมเนี่ยย่อหย่อนเกินไปถ้าบังคับเนี่ยตึเนะเงเกินไปเราสังเกตไหมพวกเราตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยเราใจลอยวันหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมใจลอยก็คือใจเราลืมตัวเราเองเรารู้สึกตัวเราเองได้วันหนึ่งสักกี่ครั้ง จะบอกให้ว่าคนซึ่งไม่เคยฝึกเลยนะไม่รู้สึกตัวเลยใจลอยแต่ใจลอยวันละครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับใจลอยตลอดนะแต่ถ้าหัดภาวนาเมื่อไหร่นะใจลอยไปแล้วรู้สึกใจลอยแล้วรู้สึกนะจะใจลอยบ่อยใจลอยบ่อยแต่ไม่นานจะสั้นลงเรื่อยๆนะสังเกตไหมเวลาพวกเราใจลอยหรือเราไปคิดเวลาเราทํางานเราคิดเรื่องงานน หรือเราดูเรือบินดูเรดาร์ดูอะไรนะใจเราออกข้างนอกไปจอดอยู่ข้างนอกเรามีร่างกายเราก็ลืมมันไม่กออกไหมเรามีจิตใจเราก็ลืมมันเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจไม่นั่เรียกว่าขาดสติย่อหย่อนเกินไปแต่เวลาทํางานจําเป็นนะจําเป็นนะเขาไม่ได้จ้างเรามาดูกายดูใจเขาจ้างเรามาทํางานนะถ้าวันๆ น, นะไม่ทํางานเราแต่ดูกายดูใจตัวเองเรียกว่าคอร์รัปชันนะเราต้องทํางาน แต่เวลาที่เหลือจากการทํางานเวลาที่เหลือจากการนอนหลับมันคือเวลาที่เราจะรู้กายรู้ใจของตัวเองได้แต่ว่าคนทั้งหลายนะพอไม่ได้ทํางานแล้วก็ไม่ได้นอนหลับก็ใจลอยซะองคิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้คิดไปอดีตคิดไปอนาคตคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นไม่ยอมรู้สึกอยู่ในกายไม่ยอมรู้สึกอยู่ในใจตัวเองนี่แหละเป็นจุดที่ทําให้เราไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยเพราะเราไม่เคยเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนื่องจากเราลืมมัน ตอนไปนี้เราพยายามรู้สึกกายรู้สึกใจให้มากนะอย่าใจลอยเวลาที่เราไม่ได้ทํางานที่ต้องคิดเนะี่ยเวลาที่เราไม่ได้รับนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายของใจให้มากที่สุดเลยไม่ห้ามด้วยนะใจลอยก็ได้แต่ใจลอยแล้วรู้ให้ไหวๆมันก็ต้องมีวิธีฝึกวิธีฝึกที่จะให้ใจไม่ลอยไปนานนะก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งหัดพุดโทโธไปหัดรู้ลมหายใจไป แต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อบังคับใจให้สงบถ้าพุทโธเพื่อบังคับใจให้สงบเนี่ยตึงเกินไปถ้าหายใจเพื่อบังคับจิตใจให้สงบอันนี้ตึงเกินไปเราพุทโธแล้วเราคอยรู้ทันถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทันเรารู้ลมหายใจไปถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตเราไหลไปคิดทั้งวันนะหลงไปคิดทั้งวันแล้วหลงหลงไปนานแต่ถ้าเราหัดพุทโธไปหายใจไปอะไรอย่างนี้นะถ้าใจไหลไปคิดแวบเรารู้สึกแวบเรารู้สึกมันจะไม่หลงยาว จะกลับมาที่ตัวเองได้พูดภาษาไทยง่ายๆเลยคําว่าสมาธิที่จะใช้เดินตัญญาเนี่ยนะคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเ น, นื้อกับตัวเนี่ยพูดภาษาไทยที่ง่ายที่สุดแล้วนะมันคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจล่องลอยขาดสมาธินะจิตใจฟุ้งซ่านขาดสมาธิไปงั้นสิ่งที่สําคัญนะเราต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนไม่งั้นเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เราจะลืมมันตลอดเวลา ต่อไปนี้ไปฝึกนะให้กันบ้านฝึกไปเรื่อยนะสักเดือนสองเดือนเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างอัศจรรย์ที่สุดเลยเราจะไม่ใช่ทําสมาธิก็สงบแล้วก็เลิกทําก็ฟุง้งแล้วทำอีกก็สงบอีกสมาธิอย่างนั้นสมาธินอกศาสนาพุทธแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธนะทำแล้วได้ความสุขความสงบก็ดีเหมือนกันต้องมาฝึกสมาธิชนิดที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้ วิธีฝึกนั้นก็พุโทโธหายใจอะไรก็ได้นะดูท้องพองยุบอะไรก็ได้เดินจงกรมก็ได้อย่างเดินจงกรมไปจิตใจหนีพิคิดรู้ทันจิตลงไปอยู่ที่เท้าแล้วรู้ทันรู้ลมหายใจจิตหนีพิจิดรู้ทันจิตไปอยู่ที่ท้องแล้วจิตไปอยู่ที่ลมแล้วรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมัน่นนี่เป็นกฎที่ง่ายที่สุดแล้วถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมัน่อนโดยอัตโนมัติจะได้สมาธิชนิดที่ตั้งมั่นขึ้นมา เวลาเราอย่าบังคับให้ตั้งนะถ้าบังคับว่าจะต้องรู้ตลอดเวลาจะตึงเกินไปงั้นไม่ให้หย่อนเกินไปไม่ให้ตึงเกินไปนะเอาแค่ว่าจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งลมหายใจเพ่งท้องรู้ทันทีจิตเคลื่อนที่เรารู้ทันถ้ารู้ทันจิตพลิกเคลื่อนที่แค่นี้แหละจิตจะได้ตั้งตั้งมั่นเมื่อจิตใจตั้งมั่นแล้วจะไปต้องเจริญปัญญา การเจริญปัญญาการที่จิตตั้งมั่นมีสมาธิเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาแต่ต้องสมาธิที่ถูกต้องเท่านั้นนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต่อไปดูกายทํางานดูใจทํางานทําตัวเป็นคนดูเหมือนดูคนอื่นดูเหมือนดูคนอื่นนะดูแบบไม่มีไบแอสดูแบบไม่เข้าข้างดูแบบไม่ไปกดขี่บังคับกายบังคับใจแต่ดูกายอย่างที่กายเป็นดูจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นเอย่าเรานั่งอย่างเงี้ยเรารู้สึกตัวอยู่เรื่อย เราเห็นร่างกายนั่งไหมขนาดนี้ทุกคนลองรู้สึกนะร่างกายกำลังนั่งอยู่บางคนก็พยักหน้าเห็นไหมบางคนก็ขยับนิ้วเนี่ยใครรู้สึกอยู่ที่ร่างกายอ้าวต่อไปทุกคนยิ้มซิยิ้มเนี่ยเห็นร่างกายยิ้มไหมเนี่ยรู้สึกในร่างกายที่ยิ้มเอาเลิกยิ้มได้ละเห็นร่างกายหัวเราะไหมบางคนเนี่ยเราเป็นคนดูนะเราเห็นร่างกายทำงานฝึกตัวนี้ให้มากเลย ถ้าฝึกได้นะต่อไปเราจะเดินปัญญาที่แท้จริงได้เพราะการเจริญวิปัสนากรรมฐานเนี่ยจุดตั้งต้นของการทําวิปัสสนานีคือแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจออกเป็นส่วนๆได้อย่างนี้เราเนั่งอยู่นะเราเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายหายใจออกใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูมันจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายแสดงละครเคลื่อนไหวไปใจเราเป็นแค่คนดูถ้าแยกได้สองอันนี้ก็เริ่มเดินปัญญาได้แล้วรู้จัก หลวงตามหาบัวไหมใครเคยเจอท่านไหมยกมือซิยกมือเอาใครเคยเจอยกอีกมือหนึ่งเมื่อกี้ยกไปมือหนึ่งแล้วอ่ายกแก้ง่วงอ่ะมีใช่ไรฟังทำม้ามากๆถึงง่วงหลวงตามหาบัวพูดนะบอกว่าถ้าไม่แยกธาตุแยกขันนะแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะเรื่องเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นจุดที่เจริญปัญญาได้ต้องแยกธาตุแยกขันเป็น ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ค่อยๆฝึกเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายมันขยับตัวใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วนั่งไปนานๆมันจะเกิดปวดเกิดเมื่อยเกิดคันใครคันบ้างตั้งแต่นั่งมาใครเก่าไปแล้วบ้างรู้ไหมหนูพ่อรู้นะเพราะนั่งอยู่ตัวที่เห็นนฟังไปเก้าไปเก้าไปเก่าไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆนะ มันเป็นปกตินะพวกเราสายพันธุ์เดียวกับลิงยังไงมันต้องเก่านะเนี่ยพอร่างกายมันขันนะเราไม่รู้สึกเราก็เก่าไปก็หายขันนะใครนั่งแล้วขยับตัวบ้างขยับทุกคนรู้สึกไหมขยับขยับทําไมต้องขยับมันเมื่อยมันเมื่อยนั่งนานๆมันเมื่อยก็ต้องขยับเราเคลื่อนไหวเนี่ยหนีความทุกข์ไปเราไม่ทันจะรู้เลยว่ากายที่เป็นตัวทุกข์นะเราหนีไปละ แต่เปนนี้นะเรานั่งให้สบายเลยนั่งให้สบายแล้วนั่งไปนานๆเราจะเห็นว่าความทุกข์เนี่ยเริ่มเกิดขึ้นในร่างกายค่อยดูลงไปว่าร่างกายมันตั้งอยู่ก่อนแล้วความทุกข์เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาทีหลังใจเราเป็นคนดูฝึก อ, อย่างนี้เราจะเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายกับความทุกข์เนี่ยเป็นคนละอันกันนี่คือการหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกขันออกไปเรื่อยๆร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความทุกข์ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกเข้ามาในร่ง trading, างกายจิตเป็นฝนดูนี่พอมันเมื่อยมากๆเนี่ยใจเริ่มกระสับกระสายอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถอยากจะเคลื่อนไหวนะความอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถไม่ใช่ความเมื่อยเห็นไหมความเมื่อยเกิดที่ร่างกายเกิดที่ขาเกิดที่เอวเกิดที่หลังแต่ใจเนี่ยอยากเปลี่ยนอิริยาบถเพราอนความอยากที่จะเปลี BC. ่ยนอิริยาบถเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ความปวดความเมื่อยแล้วก็ไม่ใช่ร่างกายแล้วเป็นสิ่งที่จิตได้รู้เข้า มันเป็นอีกขันหนึ่งนะเรียกว่าสังขารขันเนี่เรามาหัดนะหัดนั่งให้สบายนะนั่งไปแล้วก็ค่อยเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูใจมันเป็นคนดูได้ใจต้องไม่หลงไปใช่ไหมถ้าลืมเนื้อลืมตัวร่างกายนั่งอยู่ไม่รู้เลยต้องรู้สึกตัวงั้นจุดแรกก่อนที่จะมาเรียนจเจริญปัญญาแยากธาตุแยกขันนะต้องหัดรู้สึกตัวใจหนีไปเรารู้ใจหนีเรารู้นั่นจะรู้สึกตัวขึ้นมา พอ e: รู้สึกตัวได้ก็ดูเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนนะทํางานไปเรื่อยใจเราเป็นคนดูมันนั่งนานๆอย่เพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถแป้งมันหน่อยนั่งนานๆาพอมันปวดเมื่อยขึ้นมาดูลงไปร่างกายก็อันหนึ่งนะความปวดก็อันหนึ่งจิตใจก็เป็นอีกอันหนึ่งพอปวดมากๆนะอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถแล้วอยากจะลุกขึ้นเดินแล้วอยากจะขยับตัวแล้วใจมันมีความอยากเกิดขึ้นรู้ทันความอยากเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ความปวดความปวดอยู่ที่ขาความอยากอยู่ที่ใจ นี่หัดแยกไปได้วนะในที่สุดเราจะแยกขันได้ร่างกายก็เป็นรูปขันความปวดความเมื่อยเรียกว่าเวทนาขันความทุรนทุลายของใจเราเรียกว่าสังขารขันจิตเราคือตัววิญญาณขันตัวความรับรู้ถ้าเราแยกได้แล้วต่อไปเราจะถึงขั้นเจริญวิปัสสนาได้แล้วเราก็จะเริ่มเห็นความจริงร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหมือนเป็นก้อนวัตถุน มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะเป็นวัตถุที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยเนี่ยเราคอยรู้สึกนะพอใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราก็ดูลงไปในร่างกายร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยตกอยู่ใต้กองทุกข์ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เวลานอนทําไมต้องคลิกซ้ายพลิ ก, กว่าเพราะมันทุกข์นะคืนหนึ่งใช้กี่ครั้งใครรู้บ้าง ถ้าคนทั่วๆไปนะก็ประมาณสาสิถึง4ี่ิบครั้งถ้าเป็นไข้ก็พลิกมากกว่านั้นมันปวดนะคนทั่วๆไปก็ประมาณ3าสิบครั้ง น, ะนเราฝึกสตินะต่อไปกลางคืนเราจะขยับตัวหลับอยู่นะขยับนี่เรารู้หมดเลยไม่ขาดสตินะเรามาดูจิตใจของเราร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บิบคั้นนะไม่ใช่ของดีของพิเศษเลยแล้วก็เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออก เช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะเป็นวัตถุเท่านั้นเลยนะดูไปดูไปร่างกายมีแต่ทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นแค่วัตถุที่เราหยิบโลกมาใช้ว่าหนึ่งเราต้องคืนไปนี่เรียกว่าเจริญปัญญานะเห็นความจริงของกายการจะเห็นความจริงของจิตใจก็คอยดูไป mm hmm. เดี๋ยวจิตใจเราก็สุข mm hmm. เดี๋ยวจิตใจเราก็ทุกข์เดี๋ยวจิตใจเราก็ดีเดี๋ยวจิตใจเราก็ร้ายมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อย่างเวลาที่เรามองเห็นเห็นคนคนนี้มาเรามีความสุขเห็นคนคนนี้มามีความทุกข์ใครเห็นผู้บังคับบัญชามาแล้วมีความสุขบ้างยกมือซิท่านผู้ในการอยู่หน้าสุดท่านไม่เห็นหรอกนะแล้วใครเห็นผู้บัญชามามีความทุกข์เห็นเพื่อนมาใช่ไหมบางคนเห็นเพื่อนมามีความสุขเห็นนายมาแล้วก็ทุกข์เลยรุ่มใจอย่างเงี้ยะเนี่ยคอยรู้ทันตาเรามองเห็นนะความรู้สึกของเราเปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกของเราเปลี่ยน จมูกเราได้กลิ่นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเช่นได้กลิ่นเน่าๆนะอยู่ในบ้านได้กลิ่นเน่าๆนะักกังวลกังวลใจว่าตัวอะไรมาตายในบ้านแต่ถ้าไปพักอยู่ตามวัดได้กลิ่นเน่าๆไม่คิดถึงตัวอะไรตายนะคิดถึงอย่างอื่นเผีจะมาะ่แล้วใจใจมันเปลี่ยนใช่ไหมได้กลิ่นอย่นี้ใจมันเปลี่ยนเวลากินข้าวได้รสที่ถูกใจชอบใช่ไหมเจอของแม่อร่อยอะไรหงุดหงิดไม่ชอบเใจมันเปลี่ยนเวลาใจเราคิด นั่งอยู่ดีๆเราคิดถึงคนคนหนึ่งขึ้นมามันมีความสุขคิดถึงอีกคนหนึ่งมันมีความทุกข์เนี่ยแค่ใจไปคิดใจก็เปลี่ยนให้คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองเรื่อยๆไปอย่าไปบังคับนะมิปัสนาเพราเห็นอย่างที่เขาเป็นไม่ได้บังคับเลยเพราะงั้นเมื่อตาเรามองเห็นใจเราเปลี่ยนใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราร้ายให้รู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงนะใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีหรือโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันรู้ที่ใจนะ จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสหรือใจมันคิดเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลภตกรธหลงให้รู้นี่แหละคอยรู้ลงไปเรื่อยต่อไประพัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเลยนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนไปเรื่อยแล้วเป็นของบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาอนัตตานี้บังคับไม่ได้ไม่ใช่เป็นวัตถุ อย่างร่างกายเราเห็นเป็นอนัตตาคือมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุแต่จิตเนี่ยเป็นอนัตตาในแง่มุมที่ว่าเราบังคับมันไม่ได้เราสั่งให้สุขก็ไม่ได้เราห้ามมันทุกข์ก็ไม่ได้นะสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ใครเคยมีเรื่องกลุ้มใจแล้วบอกตัวเองว่าอย่าไปคิดบ้างมีไหมยกมือให้ดูซิกล้าหาญหน่อยกล้าหน่อยเออเยอะเหะอเห็นมหมแล้วห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ยิ่งไปบอกมันอย่าคิดนั่นมันยิ่งคิดแหลกเลยเนาะ เพราะอะไรจิตมันแสดงอนัตตาให้เห็นแกบังคับฉันไม่ได้หรอกนะฉันไม่ใช่ตัวแก่หรอกแกบังคับฉันไม่ได้หรอกงั้นเวลาเราดูจิตดูใจนะจุดเด่นที่เราจะดูได้ง่ายเนะี่ยคืออนิจจังมันเปลี่ยนเร็วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่ดูอนิจจังอย่างนี้ก็ได้รู้ดูอนัตตาว่าเราบังคับมันไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ยิ่งห้ามยิ่งเงาใหญ่เลยนะบอกอย่าคิดยิ่งคิดหนักเลยนะ อย่ากโกรธยิ่งโกรธใหญ่เลยนะอย่ารักเป็นไปได้ไม้มอย่ารักก mm ็ hmm. รักแล้ว อ, ะอ่ะจะมาบอกว่าอย่ารักยรักขึ้นมาก็รู้อีกเนี่ยคอยดูที่ใจของเรานะถ้าดูกายเราก็จะเห็นว่ากายนี้มีแต่ความทุบบีบคันอยู่กายเป็นวัตถุเป็นก้อนผ่านไม่ใช่ตัวเราะเรายืมธาตุโหโลกมาใช้ถ้าดูจิตใจเนี่ยดูตอนที่มันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกมันเปลี่ยน เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอันนี้เรียกว่าอ น, นิจจังคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นอนัตตาล้วสั่งไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้ให้เราคอยรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปสุดท้ายเราจะรู้ความจริงเลยร่างกายนี่ไม่ใช่ของน่ารักอ่ะร่างกายมันจะน่ารักเข้าไปได้ไงมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะจิตใจก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยนะ วิ่งหาความสุขมาให้มันแทบตายมันมีความสุขแวบเดียวความสุขหายไปแล้วรู้สึกไหมความสุขสั้นเสมอความทุกข์อยากไล่มันความทุกข์ยาวเสมอเลยนะความทุกข์ไม่ไปเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้นะเห็นแล้วจะรู้เลยถึงจะวิ่งหาความสุขแทบเป็นแทบตายนะได้มาแล้วก็หลุดมือไปนะหาสาราะแก่นสารไม่ได้เลยเนี่ยเราดูลงมาในกายจะเห็นแต่ของไม่มีสาราะแก่นสารดูเข้าไปในจิตใจก็าหาสาราะแก่นสารอะไรไม่ได้เลยถ้าดูมากเข้ามากเข้าถึงวันหนึ่งนะปัญญามันเกิด คำว่าอาริยมรตเนี่ยอริยมรตเนี่ยมีปัญญานะมีสมาธิมีสติมีองค์มครตทั้ง8นัเนนะี่ยต้องมีครบแต่ตัวปัญญาของโสดาปฏิมครคเนี่ยรู้ความจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรเลยอย่างร่างกายที่ยืนเกิดแล้วก็หายไปร่างกายที่นั่งก็หายร่างกายที่นอนหายไปร่างกายหายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกลายเป็นร่างกายหายใจเข้านะเปลี่ยนไปเรื่อย หรือจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรอยเมื่อไรที่จิตยอมรับความจริงนะว่าในกายในใจนี้เรามีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปไม่มีอะไรที่คงทนถาวรไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้เลยนั่นแหละเรียกว่าเราได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วถ้าเราภาวนาต่อไปรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจดูความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปวันหนึ่งปัญญารวบยอดมันเกิดขึ้นมา กายนี้คือทุกข์ล้วนๆจิตนี้คือทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์แจ่มแจ้งแนละ้วมันจะสลัดคืนความยึดถือกายยึดถือใจให้โลกไปพระอราหารันตนะ์ไม่ใช่มนุษย์ประหลาดนะไม่ใช่มนุษย์แปลประหลาดอะไรแต่ท่านคือผู้ที่เห็นความจริงของกายของใจแล้วว่ามันคือตัวทุกข์แล้วท่านหมดความยึดถือมันสลัดคืนมันให้โลกไปะมันเป็นของโลกเรายืมเข้ามาใช้ชั่วคราวนะใจของท่านเจ้ะไม่ทุกข์อีกต่อไปพวกเราเวลาแก่ทุกข์ใช่ไหม คนไหนตีนกาขึ้นแล้วมีไหมโอ้เนอะตีนกาอันแรกขึ้นกลุ่มมากรู้มมสึกไหมอันที่ยี่สิบจะเฉยเฉยนะทำไมตีนกาอันแรกขึ้นมากลุ่มมากยอมรับไม่ได้ใช่ไมไม่อยากแก่มันแก่แล้วยอมรับไม่ได้ใจเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าตีนกาขึ้นหลายอันทำไมทุกข์น้อยยอมรับได้แล้วมันแก่แล้วนะเมื่อนความทุกข์ในใจเราเนี่ยนะถ้าเรายอมรับ สิ่งซึ่งปรากฏอยู่ได้แต่จะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเราปฏิเสธสิ่งซึ่งกําลังปรากฏอยู่เราจะทุกข์มากยิ่งปฏิเสธมากยิ่งทุกข์มากในห้องนี้คนไหนพ่อแม่ตายแล้วบ้างมีไหมคนไหนลูกตายมีไหมมีไหมไม่มีถ้าถ้ามีจะชัดเจนมากเลยคนที่พ่อแม่ตายนะทุกนะแต่คนที่ลูกตายทุกมากกว่าทําไมอย่างนั้นละ่ะเพราะเราไม่เคยคิดเลยว่าลูกเราจะตายก่อน เราคิดว่าความตายต้องตายตามเซนิลิตี้ใช่ไหมงมีอาวุโสตามลำดับแล้วเราไม่เคยนึกถ้าพ่อแม่ตายก่อนเรารู้สึกเรื่องปกติใจมันยอมรับได้มันไม่ทุกนะเนี่ยการที่เรามาเห็นความจริงของตัวเองเรื่อยๆนะสุดท้ายเราจะเข้าใจโลกด้วยเข้าใจชีวิตด้วยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วความทุกข์จะน้อยลงน้อยลงนะอย่างน้าท่วมทุกไหมน้าท่วมกรุงเทพปีกลทุกมากที่สุดตอนไหน ตอนจะท่วมหรือไม่ท่วมวะพอมันเริ่มท่วมก็ทุกข์ใช่ไหมท่วมไปเดือนหนึ่งเริ่มทุกข์น้อยลงแล้วเริ่มอยู่กับน้ําได้แล้วเลยท่วมไปหลายๆเดือนพอน้ําแห้งเหงาเหงาแฮะมันไปไหนละวนะทําไมมันทุกข์น้อยลงเพราะมันยอมรับความจริงได้มากขึ้นนะนี่ยเรามาหัดเจริญสติเจริญปัญญานะเพื่อให้มันยอมรับความจริงความจริงสูงสุดก็คือกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ ความจริงรองลงมาก็คือทุกอย่างมันของชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับแค่เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าของชั่วคราวใจไม่ทุกข์ละความทุกข์จะลดลงไปเยอะละงั้นที่เราหัดทํำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อให้จิตมันยอมรับความจริงของชีวิตว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้ถ้าความจริงสูงสุดก็คือทุกอย่างนี้เป็นก้อนทุกข์ทั้งหมดเลยถ้าเห็นถึงขนาดนั้นเป็นพระอรหันต์ละ ถ้าเห็นแต่ว่าทุกอย่างเกิดระดับในพระโสดาบันไม่ยากเกินไปนะถ้าดูหลักของการปฏิบัติแล้วใครดูกายดูใจทางันยานใจลอยสรุปนะสรุปแนละ้วข้อที่หนึ่งถือศีลห้าไว้ถ้าไม่มีศีลห้าจิตจะฟุ้งซ่านนะคนไม่มีศีล น, นะจิตฟุ้งง่ายคนมีศีลจิตสงบง่ายไม่คิดจะฆ่าเขาก็คิดเมตตาเขาเนี่ยเมตตาเขาไม่คิดฆ่าเขาสงบกว่านะคิดจะขโมยเขากับคิดจะให้ทานเนี่ยเห็นไหม ให้ฐานใจิตใจสงบกว่าคิดจะเป็นชู้เขากับสันโดษอยู่ในภรรยาของเราเนี่ยอยู่กับภรรยาเราสงบกว่านะสงบจนเฉยเมยไปเลยบางทีนะสงบมากโกหกเขาใช่ไหมฟุ้งร้าง น, นะต้องจานะพูดความจริงไม่ต้องคิดมากความจริงก็คือความจริงที่กินเหล้าก็เรื่องมากนะไม่กินสบายกว่าฉนั้นศีลเนี่ยถ้าถือไว้เราจะสบายสงบง่ายศีลถือเพื่อให้ใจสงบง่าย ก็มีศีลแล้วเราก็มาฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้นะเดี๋ยวจะพาฝึกกรรมฐานว่าใจลอยแล้วให้รู้ทันถ้าใครรู้ไม่ทันก็ถือว่าสอบตกฝึกกรรมฐานกับหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่แค่สงบนะสงบในเรื่องเด็กเด็ก PM, เด็กมากมากเลยเรื่องฝึกให้จิตสงบแต่ฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจิตมันไหลตลอดเวลานะเรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรื่อยๆนะ พอจิตใจถือศีลไว้แล้วมาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปเรียกว่าเจริญปัญญานะทําได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาอย่างเนี้ยมรรคผลไม่ไปไหนหรอกเอแต่นั่งสมาธิไม่มีทางได้มรรคผลอะไรหรอกนะตอตอนนี้เท่านี้ก็ล้กันนะแ น, นะนํานะว่าฟังหลวงพ่อเทศครั้งเดียวเนี่ยยากมีซีดีแจกให้ก็ไปฟังนะ ถ้าที่นี่ไม่พอแจกไปเอาที่วัดได้นะแจกให้ฟรีนะอไปฟังบ่อยๆฟังแล้วเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วไม่ยากอีกต่อไปละหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะแค่นี้เองผู้ไม่ปฏิบัติคือคนลืมกายลืมใจตัวเองเรือเอาแต่นั่งเพ่งนิ่งๆไม่เรียกว่าปฏิบัติครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อไปกราบหลวงพเทศเข้าไปที่วัดท่านคนเยอะมากเลยตอนท่านอยู่เนะ่ กลางคืนเขาไปนั่งสมาธิกันเยอะในโบสถ์นะเดินจงกรมอยู่รอบโบสถ์นั่งสมาธิในโบสถ์เต็มไปเดินดูโอมีเด็กคนนั่งเพ่งเพ่งแบบเครียดๆนะพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็เขารบในพระธรรมไปเรื่อยนะก็แง่เคลิมไปขาดสติพวกหนึ่งตึงไปพวกหนึ่งหย่อนไปในใจก็นึกนินทาเขานะตอนั้นกิเลสเราไม่ดูแเรานินทาเขาเนื่อมาเห็นมีใครปฏิบัติเลยที่เนี้ย คิดแค่นี้นะเช้าเจอหลวงปู่หลวงปู่มองหน้าหลวงพ่อนะท่านก็พูดเลยเปลยยิ้มยิ้มที่นี่เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะโอ้โหท่านสอนนะคือแทนที่จะดูตัวเองก็ไปดูคนอื่นเพราะฉะนั้นเการที่เรานั่งสมาธิโต้รุ่งเนะี่ยไม่ใช่เรียกว่าปฏิบัติหรอกนะเดินจงกรมทีละหลายหลายชั่วโมงยังไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติหรอกนะอาจจะนั่งเรื่อยเปลยเดินทรมานกายก็ได้ อยู่ที่ว่าเรามีสติมีใจตั้งมั่นเห็นความจริงของกายของใจไหมถ้าเราจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเดินไปด้วยความรู้สึกตัวนั่งไปด้วยความรู้สึกตัวอย่างทีเ่เรียกว่านั่งใช้ได้นะถ้านั่งไปหรือเดินไปเราเห็นกายมันเดินใจเราเป็นคนดูอู้ยิ่งดีมากเลยนะเห็นความจริงเลยจิตใจร่างกายไม่ใช่ตัวเราโู้วิเศษที่สุดเลยนะงั้นไม่ใช่เอาแต่นั่งซึมๆไปนะไม่ได้กินหรอก บุกคนร่วงทุกได้นะถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะพุณเจ้าบอกปัญญาก็คือการเห็นความจริงของรูปนามใายใจเชิญใครจะถามเชิญมีไหมไม่มีดีมากก็มีทางผู้ใดจะถามนะครับนี่ <laughs> เกณฑ์ท่านมาถามเนี่ยก <laughs> ็ถูกเกณฑ์มาครับ <laughs> พอดีเพรากันเลยนะ สมาก็ถูกเกณฑ์ระเทศครับคือก็รู้สึกเครียดเหมือนกันว่าเอ๊ะต้องมาพบกับหลวงพ่อซึ่งจริงๆก็ไม่ไม่เคยได้ได้เห็นที่อื่นมาก่อนเห็นแต่ในหนังสือแล้วก็ฟังซีดีแล้วเขาให้การบ้านมาบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการบ้านครั้งนี้ก็เลยต้องไปนั่งมาสองสองวันครับ จากเดิมเนี่ยก็เคยนั่งอยู่แล้วก็นั่งไม่ได้ไม่ได้คิดคาดหวังผลอะไรก็นั่งไปเรื่อยๆให้ ม, มันสงบแต่ครนี้ต้องมาถามเน่ก็เลยต้องต้องมานั่งแล้วก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ดูว่าแล้วจะถามอะไรดีที่ริงได้นะท่านตรรู้ว่าสงสัยว่าควรจะถามอะไรดีรู้ว่าสงสัยนี่เรียกว่าปฏิบัติเสร็จละ <c oughs> <c oughs> คือที่ยังยังติดใจยอยู่คือว่าต้องมานั่งลำดับก่อนว่าที่เคยปฏิบัติมาเนี่ยปฏิบัติอะไรบ้าง mm hmm. แล้วของหลวงพ่อเนี่ยนะในหนังสือเนี่ยก็ได้อธิบายไปหมดแล้วเหมือนที่หลวงพ่อได้แสดงทำมาเนี่ย mm hmm. เข้าใจได้หมดแต่ว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้ mm hmm. เพราะว่ารู้แต่ทฤษฎี mm hmm. ปฏิบัติไม่ได้ก็พยายามปฏิบัติรู้แน่ใจว่าต้องอแยกกายแยกจิต แล้วเป็นตัวรู้ก็พยายามมานั่งจากเดิมเนี่ยเข้าใจว่าวิปัสสนาเนี่ยมันก็ยากเย็นแสนเข็นก็เลยลองลอ ง, ลองสมถะดูก่อนก็ได้ลองนั่งอยู่ตื่นตีห้าคึ่งถึงหกโมงครึ่งนะครับได้ก็ลองนั่งดูแล้วก็ลองพยายามทําจิตให้สงบเคยนั่งอยู่แล้วก็พยายามได้อย่างเดียวคือพยายามทําให้ได้ยินคาำว่าะะต้องทําให้ลมหายใจเรียดอ่อนก็พยายามหายใจยาว ให้ลมหายใจละเอียดอ่อนหลังจากนั้นก็ก็ได้ผลก็หมายถึงว่าเอเราพุทโทรเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจเราเนี่ยมันจะละเอียดแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราหายใจถูกแล้วเยนนั้นได้สมาธิได้สมถะนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราจะจับคือจากเดิมที่เรากําหนดจากลมหายใจเนี่ย ตอนหลังเราต้องเปลี่ยนมากําหนดที <attract borrow> ่พ right? uh ุทโธพราะลมหายใจมันจะหายไปแล้วอืนั่นหมายถึงว่าเวลาพุทปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันหายใจเข้าอืมถ้าโทเนี่ยคือหายใจออกแต่ถ้าเราไปบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกเราจะจับไม่ได้เพราะมันจะละเอียดมากคราวนี้อเราจะมีความรู้สึกว่าการหายใจเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกนี่ยเหมือนกับว่าก็น่าจะแป๊บเดียวหายใจเข้าหายใจออกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเนี่ย มันยาวนานมากช่วงเวลานั้นน่ะใจเราจะไปคิดอะไรหลากหลายมากพอคิดปุ๊บเราก็เอากลับมาใหม่อื mm hmm. พอคิดปุ๊บก็กลับมาใหม่ก็ดูแล้วอ้าวเราจะไปยังไงพอรู้สึกก็วนอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าตอนที่เราดูพุทธโทรแล้วก็ลมหายใจลเอียดอ่อนเนี้ยก็ดูแล้วก็ดูสงบดี mm hmm. แต่มันจะสงบได้สัก แป๊บหนึ่งเราก็ต้องไปคิดอีกแล้วอย่างหนึง่งคราวนี้ก็พยายามลองหลายๆอย่างคือหลังจากสงบปุ๊บเราก็จะพยายามว่าลองๆกําหนดให้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเข้าจุดโน้นบ้างออกจุดนี้บ้างหรือว่าเราจะต้องเพ่งเราก็พยายามใช้กําหนดให้เพ่งไปดูตรงโน้ดูตรงนี้มันก็ไม่ไปถึงไหนเพราะฉะนั้นก็เลยได้สรุปมาเป็นคําถามว่าแล้วจะไปยังไงต่อไป ต้องดูก่อนว่าจะไปไหน <c oughs> นะคำถามแรกเลยหลวงพ่อต้องถามตอบว่นจะไปไหนถ้าจะไปฝึกให้จิตสงบนะแล้วก็หายใจแล้วก็น้อมจิตไปอยู่ที่ลมพอลมละเอียดแล้วก็เหลือแต่ความรู้สึกตัวอันเดียวอยู่นั้นอยู่กับความรู้สึกตัวเฉยๆบางที่ร่างกายหายไปนะโลกธาตุดับไปเหลือความรู้สึกตัวอยู่อันเดียวถ้าออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องมาเดินปัญญาอันนั้นจะเป็นวิธีที่ใช้สมาธินําปัญญา วิธีเดินปัญญาของคนที่เข้าสมาธิลึกก็คือต้องมาดูกายนะแล้วดูจิตจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างไปหมดเลยก็มาดูร่างกายเห็นร่างกายกับคริบตาเห็นร่างกายหายใจนะใจเราเป็นคนดูแล้วก็ค่อยๆรู้สึกไปเรื่อยร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าฝึกนะอย่างนี้ก็จะเดินปัญญาต่อได้นี่การสลาเาตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยนะจะนั่งแล้วจเจริญปัญญาไปเลยในสมาธิก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นะวิธออีอีกวิธีหนึ่ง เราหายใจไปเนี่ยนะถ้าจิตมาเข้าอุปจารสมาธิยมันจะมีความปรุงขึ้นมาจะมีความไหวขึ้นกลางหน้าอกท่านท่านลองเห็นบ้างไหมมันมีความไหวผุดขึ้นมาถ้าถ้าละเอียดมากๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นแต่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาที่กลางหน้าอกเนี่ยอัจามหาบัวสอนนะทำแท้เกิดขึ้นกลางอกกิเลสเนีเกิดที่กลางอกนี่เองกุศลเกิดที่ตรงนี้เวลยายามมรรคจะเกิดก็เกิดตรงนี้แหละ นะนี่เราจะเดินปัญญาในสมาธิแร้วเห็นความไหวตัวของจิตนะใจเราเป็นแค่คนดูแล้วเห็นมันไหวได้เองมันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานได้เองนะอันนี้เป็นการเดินปัญญาในอุปจารสมาธิแต่ถ้าเราเข้าอัปปนาสมาธินะเราเดินปัญญาในอัปปนาสมาธิเราจะดูองค์ชานนะเช่นทีแรกจิตสัมผัสอยู่กับแสงสว่างนะจิตมีปีติมีความสุขนะมีวิตกคือการที่มันตรึกในแสงสว่างมีวิจาร์มันเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่าง มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งแล้วก็พอรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจับแสงนะมันจะปล่อยมันก็เหลือแต่ปีติสุขแล้ความเป็นหนึ่งมันจะละวิตกวิจารณจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาได้อันนี้จิตเข้าฌานที่สองสติะระลึกรู้ลงไปอีกเห็นว่าปีติเป็นของแปลปลอมนะปีติเป็นของหยาบพอสติะระลึกรู้ปีติมันจะดับค่อยๆสงบระงับเหลือความสุขกับความเป็นหนึ่งเข้าฌานที่สาม ดูลงไปที่ความสุขนะความสุขก็ดับกลายเป็นอุเบกขาจจะเข้าฌานที่สี่การที่เดินสสนิพพานในฌานเนี่ยเราจะเดินนิพัานาด้วยการดูความเกิดดับขององค์ฌานนะแต่ถ้าดูเจริญนิพพานาในอุปจารสมาธิเราจะดูความไหวความปรุงซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นแต่วสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปนะนะหรืออย่างหนึ่งก็คือทําสมาธิให้มันสงบนะออกมาแล้วมาเดินปัญญาข้างนอกเลยนะของท่านท่านรองเนี่ย จิต BigQuery, มันทำสมาธิอยู่มันนิ่งงั้นออกมาเน Gill, garden, нуть, ี่ยพยายามมาดูกายให้มากะเห็นร่างกายยืนแต่นั่งนอนใจเป็นคนดูฝึกตัวนี้ให้เยอะๆไม่ง้นโมหะจะแทรกใจจะซึมก็ก็รอดูว่าเมื่อไรจิตมันจะออกมาเห็นกายนั่งสักทีนึ่งต้องน้อมออกมาแล้วน้อมออกมานะแล้วการดูจิตเนี่ยห้ามดักดูห้ามรอดูดูจิตกับดูกายไม่เหมือนกันกายนั้นมันมีอยู่แล้ว เราดูมันได้ในปัจจุบันนี้เลยเพราะฉะนั้นการดูกายเนี่ยเรียกว่าปัจจุบันขณะคือขณะปัจจุบันเลยการดูจิตเนี่ยอยู่ๆไปจ้องหรือไปรอดูจะไม่มีอะไรให้ดูการดูจิตเนี่ยต้องให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปก่อนแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลไม่กุศ ล, ศลค่อยรู้เอาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอย่างทำไมต้องไปรู้เอาเมื่อมันเกิดแล้วอย่างความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปมีความโกรธพร้อมๆกับมีสตินะั้นเป็นไปไม่ได้นคนละขณะกันนะจิตมันเกิดดับรวดเร็ว งั้นการดูจิตดูใจเนี่ยห้ามรอดูห้ามจ้องห้ามดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาถึงจะดูจิตได้นะเช่นโมโหลูกน้องแล้วรู้ว่าโมโหอย่างนี้ใช้ได้นะเห็นลูกน้องมานะรู้ว่าเดี๋ยวต้องมีเรื่องดุไอ้คนนี้มาต้องมีเรื่องกันแน่เราคอยจ้องอยู่ที่จิตดูซิเมื่อไหร่จะโกรธคนนี้คุยกับมันชั่วโมงหนึ่งยังไม่โกรธเลยนะเพราะเราไปดักดูไว้ก่อนนะเคล็ดลับของการดูจิตนะห้ามดักดู มันเป็นปัจจุบันแต่เรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันแต่ดูกายเนี่ยเป็นปัจจุบันขณะเนี่ยยกมืออยู่นี่เห็นเลยตัวที่ยกมือมันไม่ใช่เราทําไมดูกายดูเป็นปัจจุบันได้ก็จิตมันเป็นคนดูแต่ดูจิตทําไมเป็นปัจจุบันแท้ๆไม่ได้เพราะจิตมันจะต้องมาดูจิตมันจิตดวงหนึ่งไปรู้ทันจิตดวงที่ดับไปสดๆร้อนๆะสรุปนะท่านรองออกจากสมาธิแล้วดูกายเคลื่อนไหวให้เยอะเลย ไม่งั้นมันไม่เด็ดัญญามันจะเอาสงบ อ, อย่างเดียวมาสการหลวงพ่อค่ะ อ, อ, อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนที่หลวงพ่อยังต้องใช้ชีวิตคารวะและต้องทํางานอยู่ด้วยเนี่ยนะคะหลวงพ่อปฏิบัติได้ได้อย่างไรบ้างที่จะทําให้อารมณ์ที่มากระทบกระทั่งในระหว่างการปฏิบัติงานเนี่ยเราสามารถที่จะ ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติคื <c oughs> อเราฝึกฝึกสตินะ <c oughs> อย่างหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยพอตื่นนอนมาเนี่ยเชื่อรู้ทันจิตเลยยังไม่ทันรู้สึกร่างกายเลยนะรู้ทันใจพอตื่นนอนมาปุ๊บนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์เนียใจเราเป็นแบบนี้นึกได้ว่าวันอังคารใจก็ไม่เหมือนวันจันทร์นึกออกไหมนึกได้ว่าวันที่วันพุธใจก็ไม่เหมือนกันสักวัน เวลานึกถึงว่าวันนี้วันพฤหัสรู้สึกไงสดชื่นไหมเริ่มสดชื่นละนึกถึงวันศุกร์ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์กะดีกะด้าเลยรู้สึกไหมนึกว่าวันวันจันทร์เนี่ยขี้เกียจใช่ไหมวันพุธสุดเสงี่เนีน่ยยังไม่ทันจะลุกจากที่นอนเลยนะรู้ทันจิตละแค่จิตคิดจิตมีความรู้สึกเกิดขึ้นโูทันนะเสร็จแล้ ว, วความรู้สึกก็ขยายตัวออกมาเห็นร่างกายร่างกายนอนอยู่ท่าไหนก็รู้สึกนะรู้สึก ไปอาบน้ำํำอาบน้ําหน้าหนาวะหน้าหนาวคนโบราณอาบน้ําในตุ่มอ่ะเห็นตุ่มแล้วรู้สึกไงสดชื่นไหมเห็นตุ่มแล้วสยองนะเอะคนโบราณอ่ะไม่ใช่อาบน้ำํำบูดน้ํำอะไรกับใครเขาเนี่ยหน้าร้อนเห็นตุ่มน้ําแล้วสดชื่นใช่ไหมดีใจนตามองเห็นตุ่มตามองเห็นรูปใจก็เปลี่ยนตอนนอนอยู่คิดนะพอคิดขึ้นมาใจก็เปลี่ยนคิดว่าวันนี้วันจันใจเป็นอย่างนี้คิดว่าวันนี้นนนวนนันสุขใจเป็นอี้นะ้ เวลาไปกินข้าวตามองเห็นอาหารใช่ใจมันชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เรารู้ทันใจหรือขึ้นรถไปทำงานอยู่ในธรรมเนียบเมื่อก่อนทำงานอยู่สภาวความมั่นคงอยู่ในธรรมเนียบเป็นลูกน้องห า, หารอากาศเหมือนกันนะหลวงพ่อพลอากาศเอกสิทธนะิ์เสวสิลาะส์สุดธิศรีอะไรพกนี้นะนั่งรถไปทางานรถมันติดกลุ่มใจรู้ว่ากลุ่มใจ วันนี้ไปถึงที่ทํางานเร็วดีใจรู้ว่าดีใจเดินนะเห็นต้นไม้สวยเห็นนกเห็นอะไรชอบใจรู้ว่าชอบนึกขึ้นได้วันนี้ผู้อำนวยการไปสัมมนาโอ้สดชื่นมากกว่าเก่าอีกนะนะนะรู้ทันใจพอนะไปถึงที่ทํางานปุ๊บผู้อำนวยการหนีสัมมนามานะใจเหี่ยวลงไปหน่อยนึงก็เห็นอีกเนะนี่ยปฏิบัติอย่างนี้นะเวลานั่งประชุ ม, ชมนชสังเกต ด, ดูผู้ใหญ่งานของผู้ใหญ่งานประชุม แล้วผู้ใหญ่จำนวนมากเลยเวลาท่านพูดนะเนื้อน้อยต้องอย่าพูดยาวนะพอคนนี้เริ่มพูดเราก็เห็นใจที่ลำคขวนแะเดี๋ยวมันต้องพูดอีกชั่วโมงอะไรเงี้ยนะใจใจไม่ชอบรู้ไม่ชอบหรือเราทําเปเ ป, เปอร์ไปให้เขาเขาชมใจเราผ่องเรารู้ว่าผองนะเขาว่าไม่ได้เรื่องเลยนะใจโมโหนะรู้ว่าโมโหอนะไรเงี้ยเนี่ยขัดไปเรื่อยๆจะกินข้าวก็คอยรู้ทันใจ จะอาบน้ําจะอะไรนี่รู้ตลอดนะกระทั่งขับถ่ายยังรู้เลยนะเวลาท้องผูกรู้สึกยังไงสดชื่นไหมอ๋อเป็นนั่งแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จนะนะหรือเวลาขับถ่ายได้มีความสุขรู้สึกไหมเนะี่ยการปฏิบัตินะไม่เว้นวักนะพยายามฝึกแต่ถึงเวลาทํางานจดจ่อกับงานเขาไม่ได้จ้างเราไปปฏิบัติเขาจ้างเราทํางานนะนเราต้องตั้งใจทํางานไม่งั้นคอร์รัปชันนะผิดศีลนะออนะ อ้ๆแล้วผิดศีลนะทำงานเสร็จใช่ไหมตอนจะกลับบ้านเลิกงานแล้วมีความสุขดีใจรู้ว่าดีใจไปกลับบ้านไม่ไปเชี่ยวถลายหรอกถ้าไม่จําเป็นนะไม่ไปไหนหรอกกลับบ้านจะได้ไปภาวนาไปถึงบ้านเหนื่อยหาบน้ํากินข้าวอะไรนะพักผ่อนก่อ น, นหาการ์ตูนมาอ่านเนี่ยเคยเลยนะหนังสือการ์ตูนมาอ่านให้รีแลกซ์ก่อนแล้วค่อยภาวนาแต่ว่ากลางวันนะกินข้าวเสร็จหลวงพ่อก็เดินจงกรมแนละ วิธีเดินจมกลมของหลวงพ่อก็คืออยู่ในธรรมเนียบเนี่ยมาไปกินข้าวก่อพอเดินออกมากินข้าวได้เดินแล้วนะเสร็จแล้วเดินต่อไปวัดเบญจาบ้างวิงทีไปกินข้าวดังเรื่องเดินต่อไปวัดสมนัตเดินกลับเนี่ยเดินจมกลมไม่มีใครรู้หรอกว่าเราปฏิบัตินั้นจุดสําคัญนะอันแรกเลยถ้าเราเป็นฆราวาสเนี่ยถือศีลห้าไหแล้วสู้ตายเลยนะถือศีลห้าถือยากมากเลยการเป็นฆราวาสถือยากมาก บางทีหัวหน้าสั่งนะใครโทรมาถึงพี่บอกว่าพี่ไปไประชุมนะะเมื่อสั่งให้เราโกหกอะนะเออทําไงดีอเดียเ๋ยวเสียศีลพอโทรศัพท์กริ้งมาขอพูดกับหัวหน้าแล้วก็พูดเบาๆหัวหน้าสั่งว่าไปไประชุมครับแมมโอ้โอลาบากนะถือยาก <c oughs> ถือศีลไว้นนะฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว แล้วแต่ละวันแบกเวลาปฏิบัติในรูปแบบนั่งสมาธิเดินโยกกลมสิบนาทีสิบห้านาทีก็พอแต่ถ้าจะให้ดีนะเบรกตัวเองชั่วโมงสองชั่วโมงเบรกทีหนึ่งห้านาทีก็พอเดินไปห้องน้ําด้วยความรู้สึกตัวให้ปฏิบัติอย่างนี้นะกลับบ้านกลางวันเราปฏิบัติมาตั้งหลายช่วงแล้วกลับบ้านภาวนาไหวถ้ากลางวันเราหลงตลอดนะกลับบ้านไปนั่งก็หลับหลวงพ่อฝึกตัวเองก็โหดเหมือนกันนะ ก่อนนอนกินน้ำเยอะๆจะได้ตื่นบ่อยตื่นขึ้นมาแล้วงัวงเงียเนี่ยยังไม่นอนต่อนะต้องนั่งสมาธิให้หายงัวงเงียไม่เดินด้วยนะเดินแล้วมันง่ายะพอาตื่นนอนมางั ว, งวงเงียเนีนั่งไม่ยอมนอนฝึกไปเรื่อยๆถ้าต่อไปพอตื่นปุ๊บเนี่ยเหมือนเปิดสวิตช์เลยสว่างพลุบเลยนะไม่มีงัวงเงียเลยนะต้องฝึกนะ yeah, <it> s <S มีกี่ s okay. <S คนเนี่ย s okay. <S เดี๋ยวหลวงพ่อลืมไป จะส่งกันบ้านกี่คนประมาณสิบเจ้าค่ะอ้าวเหรอนึกว่ามีสองสามคนตอบซะยาวเลยเอ้าวว่ามาเก่าในวะัฒนการเจ้าค่ะหลวงพอ่ออเออโยมได้ฝึกธรรมะของหลวงพ่อประมาณสักห้าปีเจ้าค่ะนี่เป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกเออก่อนหน้านี้ก็โยมก็จะเป็นลักษณะฝึกกายฝึกเออนี้หลวงพ่อถามเองดีงกว่าถ้าฝึกมาห้าปีนะค่ะจิตตอนนี้ถึงฐานไหม ตั้งมั่นแล้วก็บางครั้งบางครั้งก็คือจะเห็นตัวตันขณะนี้ล่ะขณะเนี้ยตั้งมั่นไหมมีตื่นเต้นบ้างนะขณะนี้ไม่ใช่จิตตั้งมั่นเนาะเจ้าค่ะเออเป็นจิตที่เราบังคับไว้ใช่เจ้ามันต้องกดตัวเออมันกดไว้เพราะมันตื่นเต้นจิตมันจะกระจายออกข้างนอกแล้วก็พยายามหน่วงเอาไว้ดูออกไหมเจ้าค่ะโอ้ถ้าดูออกใช้ได้กิเลสเกิดบ่อยไหม เอ่อเนื่องจากอยู่ในสังคมก็มีอยู่ตลอดเวล า, าแล้วก็ยมก็เห็นพระอยู่ในวัดกิเลสยังเกิดเลยใช่ไหมเจ้าส่วนใหญ่เกิดแล้วโยมก็เมื่อก่อนนิยมก็กดไว้จากหลวงพ่อก็จะสอนเอาไว้ว่าให้มองมันให้เห็นมันตอนมันดับใช่ไหมเจ้าก็เห็นตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยรู้ว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้จริงๆใช่หลักที่พระเจ้าสอนนะอย่างกิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านสอนง่าย ๆ, ๆเลย ดุกราภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมี ร, ราคาให้รู้ว่ามีราคะแค่รู้นะท่านไม่เคยสอนเลยดูกราภิกษุทั้งหลายห้ามมีราคาดุทิสูทั้งหลายราคาเกิดแล้วให้ละเสียท่านไม่เคยสอนนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะแค่รู้นะรู้อย่างที่เขาเป็นดังนั้นที่ท่านสอนมานั้นท่านสอนให้รู้ตามความเป็นจริงนี่แหละเรื่องสำคัญ รู้ไปมากๆเราจะเห็นเลยว่าจิตกับโทสะก็โคลานกันจิตกับราคะก็โคลานกันราคะาาก็บังคับมันไม่ได้จิตก็บังคับมันไม่ได้มีแต่ของเกิดแล้วดับทั้งคู่เป็นอย่างนี้แหละแล้วเป็นไงเห็นกิเลสบ่อยๆแล้วศสียนดีขึ้นไหมก็ก็เอเข้าใจว่าโดยโดยถ้าเกิดว่าขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยค่ะก็จะรู้ว่าตัวเองอ่ย ดูในสิ่งที่บริสุทธิออ์แต่บางครั้งอะ่ะก็มาพบตอนหลังว่าเราก็เผลอไปออืมอย่างดีนะถ้าหนูภาวนาเรื่อยๆเห็นกิเลสเนี่ยการที่รู้ว่าจิตเรามีกิเลสเป็นเรื่องดีนะ<ม>แล้วพระพุทธเจ้าสารเสริญนะท่านบอกว่าถ้าจิตเป็นอกุศล ร, รู้ว่าเป็นอกุศลท่านถือว่าดีนะพงั้นการที่เราคอยรู้เท่าทันกิเลสบ่อยๆเป็นเรื่องดีสังเกตออกไหมว่าร่างกายกับจิตเป็นโคน้วละัน คนละอันเนื่องจากจิตมันสั่งให้เหมือนกับมีผลทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปล่จิตมันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้มีคนละอันกันบางครั้งมันจะมีความร้อนแล้วก็เลือดมันจะไหลเหมือนกับตามอารมณ์ขนางนั้นใช่มันเปลี่ยนไปตามจิตใช่ไหมมันกับหนดตัวรูปได้โมโหขึ้นมาใช่ไหมเลือดเขาวิ่งเร็วมานทีก็วิ่งขึ้นไป ถ้าเคลื่อนถึงหัวเราก็ต้องเตรียมตัว<ช>เอาเรื่องละ ช, ช, ง ช, งช่วงแรกๆ ก, ก็ต้องหยุดตัวเองไวจังละต้องใจกดเอาไว้อืมให้รู้นะแต่ใจะไหวแว บ, บสติะระลึกขาดเด็ดเลยฝึกบ่อยๆนะตัวสำคัญที่ฝากไว้ก็คือจิตเคลื่อนไปแล้วรู้แต่ไม่ห้ามคแค่รู้ว่าเขาเคลื่อนนะผ ล, ผลประโยชน์ที่ได้จากการฝึกก็ทาให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นง่ายมากเลยเข้าใจนะ แต่ว่าเราจะมองโลกแง่ดีนะมองโลกด้วยความเมตตาด้วยอะไรเนี้ยมากขึ้นอย่างรเรารู้เลยคนมันทำชั่วเพราะมันโง่มันไม่เห็นความจริงนะเราก็ให้อภัยเลยใช่มมันจะมานาภัยเองถ้าตั้งใจให้อภัยอย่างปลอมๆ อ, อยู่ก็แกล้งตัดฟันเป็นสุขเป็นสุขเธอหนี่ตัวปลอมนะ กราบนมัสการหลวงพอ่อ oh, ้ได้ส่งกันบ้านครับ mm hmm. เคยไปภาวนาที่วัดหลวงพอ mm ่อ hmm. ด้วยครับใช้ได้นะก็ตั้งใจภาวนาถวายเป็นอริยบูชาแก mm ่ hmm. หลวงพ่อด้วยครับครับโ mm hmm. มทนานนะครับฝึกมานะจะไปฝึกต่อแล้วละ่ะที่ทำอยู่ดีแล้วละ่ะครับเห็นขันมันแยกไหมเห็นเป็นบางขณะครับ mm hmm. สังเกตไหมตรงที่มันแยกออกไปมันไม่มีเราตรงไหนใช่ครับได้เฝ้ารู้เรื่อยๆนะสุดท้ายมันจะถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้แล้วถอนได้สนิทนะก็ได้โสดาบันไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยต้องกระจายขันออกไปแล้วเห็นขันแต่ละขันมันไม่ใช่เราหรอกทําไมต้องกระจายขันกวิธีที่กระจายขันคือกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเป็นวิธีของพระพุทธเจ้า ที่จะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเหมือนอย่างเรา Alors, มีรถยนต์อยู่คันหนึ่งเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆจับมาถอดลูกล้อออกไปลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ถอดกันชนกันชนไม่ใช่รถยนต์เอาบาะ อ, ออกไปบอกก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนต์นะเครื่องยนต์ก็ยัง ok ไม่ใช่รถยนต์เลยถอดไปถอดไปเพราะว่าไม่มีรถยนต์หรอกแล้วเรามาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นว่าไม่มีตัวเราหรอก อันนี้เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิพัฒชวิถีพอแหวนสรีพอสัมเภามหาการชอช้างนะครับที่ฝึกอยู่ดีแล้วละ่ะนะครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับจิตฟุ้งซ่านไหมมีฟุ้งซ่านเป็นบางครั้งครับฟุ้งซ่านแล้วไปกดไว้ไหมก็มีกดบ้างครับยให้รู้เอานะจิตฟุ้งซ่านให้รู้ทันอย่าไปกดมันเครียดรพราวนาะต้องไม่เครียดนะครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับ ใช่ได้ดีนมรรการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือหนูปฏิบัติจนแบบว่าเห็นขันความละเอียดของขันที่มันเป็นทุกข์มากขึ้นแล้วเราตามดูแบบนี้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายหรือเปล่าเจ้าคะดูมันไปเรื่อยๆแล้วใจชอบมันหรือใจโมโหมันล่ะก็เห็นทุกอย่างเจ้าค่ะนะค่อยรู้ทันนะเวลาเราไปรู้สภาวะแล้วเนี่ยใจเราไม่เป็นกลางใจเรายังเกลียดมันอยู่อย่างเงี้ยถ้าใจไม่ชอบให้รู้ทันนะ เจ้าค่ะหลวงพ่อสักคะคือปัญหาจงที่ว่าอัากจะถามว่าจนกระทั่งเราลมหายใจลราหมดไปกับขันนั่นแหละเราก็ดูขันมันไปเราเป็นแค่คนดูนะไม่เกี่ยวกับขันหรอกเออโยมเคยปามาหลวงพ่อจักคารโยมขอพ่อโหสิกรรมเจ้าค่ะโหนะโหภาวนาบุญนะเมื่อเดินที่แล้วเอหลวงพ่อเคยแนะนําว่า จิตไม่ถึงฐานนะครับอตอนนี้ไม่ทราบว่ามันเตลิดไปหรือว่ามันเริ่มเข้ามาบ้างขนาดนี้ล่ะบังคับอยู่หรือเปล่าตื่นเต้นไหมมีครับขมไหมไหมไม่ได้ขมใจมันแน่นหรือใจมันเบาก็มีแน่นๆบ้างถ้ามีแน่นก็ขมไว้เนี่ยดูง่ายๆนะเราดูตัวเองทดสอบตัวเองได้ถ้าใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริง มันสบายนะเบาไม่มีน้ำหนักอ่ะถ้ามีน้ำหนักขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงนะอันนี้เป็นเพราะตื่นเต้นที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้นะขณะนี้จิตออกนอกหรือว่าจิตตั้งมันนะ่นล่ะมันก็เหมือนกับรู้เนี้ยรู้ตัวอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราบังคับไหมหรือเปล่าไม่ทําเอาสินะยังบังคับอยู่เราย้อนกลับไปดูจิตสิเห็นไหมมันได้งออกได้มันไม่เข้าหรอกอนะ เราย้จะไปดูให้ดีดออกดีดออกตลอดนะแต่ว่าอันนี้เป็นสภาวะที่โอเวอเพราะว่าตื่นเต้นกับไหม่อะถ้าพอปาณนาจริงๆก็ดีกว่านี้ที่ทําอยู่ดีแล้วละ่ะไปทําอีกนะนักสงฆ์หลวงพ่อครับในการฝึกวิปัสสนาที่ว่าให้เกิดปัญญาเนี่ยเ อ, อตรงตรงนี้ผู้ที่ไม่เคยฝึกเขาจะทราบได้อย่างไรครับว่าเกิดปัญญา ปัญญาเป็นตัวความเข้าใจนะมันเกิดความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมันรู้ด้วยตัวเองเแหละแล้วถ้าปัญญาแท้ๆเกิดเนี่ยมันล้างกิเลสได้มันจะรู้เลยว่ากิเลสตัวนี้ตายไปแล้วตัวนี้ยังเหลืออยู่นี่ใครภาวนามจะรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าให้ชัวนะไปถามครูบาอาจารย์ทดสอบดูก็ดีเพราะบางทีมันก็เข้าข้างตัวเองเหมือนกันเพื <c oughs> ่นฟังหลวงพ่อเข้าใจนะ คนเป็นคนที่ฟังหลวงพ่อเข้าใจหลวงพ่อยังเทศไปชมไปอยู่นะคุณครับเคยไปเทศที่หนึ่งนะคนก็เยอะนะมีคนรู้เรื่องอยู่สองสามคนไม่ใช่เวทีนั้นคนโง่ผิดปกตินะแต่จีเนียสผิดปกติหมอทั้งนั้นเลยแต่เราคนวิเคราะห์ตลอดเวลาเลย สอนวิปัสนาบอกให้รู้อย่างที่เป็นนะก็คิดอย่างเดียวเลยนะความคิดนะี่ปิดกั้นความจริงไว้การทำวิปัสนากรรมฐานเนี่ยเหมือนงานวิจัยภาคสนามเหมือนงานวิจัยสนามนะเราจะไปวิจัยสนามเราต้องไม่มี bias เราไปรู้ไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เราศึกษาอย่างที่มันเป็นจริงๆนะอย่าสเชว่าเราอยากศึกษาทัศนคติของคนกรุงเทพต่อรัฐบาลเนี่ย ถ้าเราเป็นนักวิจัยจริงๆเราก็ต้องไปดูว่าคนกรุงเทพเขาคิดยังไงกับรัฐบาลอาจจะมีวิธีเลือกสุ่มตัวอย่างแต่ตัวอย่างที่ไม่มีแบรมิเตอร์เลฟพรีเใกล้เคียงกับความจริงใช่เราต้องไปดูว่าจริงๆเขาคิดยังไงไม่ใช่เรามีแ a บรซสื่อนะเราก็คิดเราเองการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคืองานวิจัยภาคสนามวิจัยสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเอง พระพุทธเจ้าใช้คําว่าธรรมวิจัยเคยได้ยินไหมธรรมวิจยะธรรมวิจัยเรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจใจของเราต้องไม่มีอคติไม่เข้าข้างตัวเองไม่รักไม่เกลียดนะรู้อย่างที่มันเป็นเช่นความสุขเกิดขึ้นไม่รักมันไม่เกลียดมันรู้อย่างที่ความสุขมันเป็นก็จะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็รู้มันแบบไม่รักไม่ชังนะไม่ใช่ว่าเกลียดความทุกข์อะไรอย่างเงี้ย รู้อย่างที่มันเป็นก็จะเห็นว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปสุดท้ายปัญญาก็เกิดจะรู้ความจริงรวบยอดว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็หายไปนี่สรุปผลของการวิจัยได้งั้นงานปฏิบัติธรรมทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเหมือนกับงานวิจัยภาคสนามเลยไปดูของจริงว่าเป็นยังไงไม่ใช่คิดเอาเองไม่ใช่เข้าไปแทรกแสงกลุ่มตัวอย่างอย่างถ้าบังคับตัวเองนี่คือแทรกแสงเลย จะนั่งสมาธิก็กดเอากดเอานะจะให้นิ่งนี่บังคับแล้วพระเจ้าสอนง่ายๆนะจิตมีราคะรั่วมีราคะจิตไม่มีราคะรั่วไม่มีราคะง่ายๆแค่นี้จิตมีโทสะรั่วมีโทสะจิตไม่มีโทสะรั่วไม่มีโทสะนี่เราคอยรู้ทันใจของตัวเองเรื่อยๆหรือความสุขเกิดขึ้นก็รู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทันความสุขหายไปก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้โดยจนมันเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดระดับหมดเลย ให้แค่นั้นเองอ่ะดูจนใจยอมรับความจริงดูแล้วดูอีกเมื่อคนดูเดือนสองเดือนสามเดือนนะหกเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรนี่มีก็เห็นความจริงคือใจมันยอมรับได้ไม่ไม่ได้ยากเกินไปนะไม่ได้ยากเลยที่มันยากเพราะว่าเราไม่รู้วิธีเราคิดว่าอยากพ้นทุกข์อยากปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระ พ, พุทธเจ้าก็ไปนั่งเพ่งเงาเพ่งเงาบังคับกายบังคับใจเอา มังไม่ถูกต้องไปไม่รอดต่อหนูพ่อเสียเวลากับการนั่งสมาธิยี่สิบสองปีนะเพราะเรื่องนั่งสมาธินะี่ไม่กลัวใครหรอกนะเรื่องนั่งแต่ว่ามันไม่เกิดปัญญาจเจอครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เจริญปัญญาแล้วถึงได้รู้ oo, แทบเกลหัวตัวเองเลยเสียเวลานานเสียเวลานานเพราะไม่รู้วิธีไปหาหลวงปู่ดูลนครั้งแรกหกกุมภาสองห้ากรับท่านบอกอยากปฏิบัต คือฝึกมาตั้งแต่เจ็ดขวบนะยี่สิบสองปีทำแต่ความสงบฝึกให้จิตสงบนี้ทำะมาธิ น, นี่ปุ๊บหนึ่งสงบแล้วไม่ยากเลยแต่ไม่เห็นมันไปไหนได้นะเดี๋ยวก็ทุกข์อีกเหมือนเดิมหลวงปู่สอนบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนะังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตนะคําว่าอ่านนะไม่ได้บังคับนะ อ่านเหมือนเราอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งอะหนังสือถึงบทรักเราก็รู้หนังสือถึงบทโกรธเราก็รู้นะถึงบทสนุกบทเศร้าเราก็รู้แล้วก็รู้อ่านใจของตัวเองไปเรื่อยเป็นขณะขณะไป<ม>เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ได้ยากเกินไปหรอกฝนะึกอยู่ไม่นานหรอกนะผูู้บาอาจารย์ท่านก็บอกเออใช้ได้ลนะหมดแล้วนะมีไหมหมดละ ลำดับต่อไปขออาราธนาหลวงพ่อนําพวกเราเจริญสติเพื่อเป็นตัวอย่างในการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันค่ะอนี่เปลี่ยนใหม่นะทีแรกบอกจะให้ชวนเจริญสมาธินี่เปลีนเป็เจริญสติแล้วสมาธิก็จําเป็นนะเป็นของดีไม่ใช่ว่าหลวงพ่อแอนตี้สมาธิเพียงแต่หลวงพ่อสอนพวกเราว่าสมาธิมันมีสองชนิดสมาธิที่จิตไปเพ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์กับสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่กับจิตนะ ดังถ้าเราฝึกได้สองอย่างดีที่สุดแต่ถ้าจะได้อย่างเดียวนะให้จิตอยู่กับจิตหมายถึงถ้าจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาต่อไปนี้ทุกคนนะลองทำใช้เวลาไม่นานหรอกหลวงพ่อพาฝึกสองสานาทีก็พอแล้วนะไม่ใช่ต้องฝึกกันนานเราจะฝึกคอยรู้ดูทันเมื่อกี้เขาให้ฝึกสตินะสติเป็นตัวรู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นในกาย ใ, ใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น สติเป็นตัวรู้ทันนะปัญญาเป็นตัวเข้าใจก่อนจะเข้าใจได้ต้องรู้ทันก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วปัญญาก็เกิดก็เห็นความจริงว่าความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเราความโกรธก็บังคับไม่ได้ความโกรธก็เป็นสิ่งที่แปลปลอมมาในนี้เรามีปัญญานะางั้นถ้าเราจะฝึกสติในเบื้องต้นพวกเราทํากรรมฐ า, านอย่างที่เคยทำซะก่อนถ้าใครยังไม่เคยทําอะไรเลยนะหัดท่องพุทโธไว้ก่อน ลองท่องพุโทโธในใจถ้าใครเคยหายใจเคยทาอนาปนาสติก็ทําอานาปนาสติไปใครเคยดูท้องคองยุบก็ดูไปใครเคยขยับมืออย่างหลวงพเทียนก็ขยับไปกรมฐ า, านอะไรก็ได้เหมือนกันทั้งสิ้นแต่ว่าให้คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปจิตจะไหลได้สองลักษณะเท่านั้นคือไหลไปคิดก็ไหลเข้าไปเพ่งไอตัวที่เรากําหนดไว้เช่นดูท้องจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเงี่ยให้รู้ทันอย่านี้เป็นสมถะและ้ว หรือจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันจิตมัจะเคลื่อนที่ได้เอก่อนจะหลับตานะเห็นไหมทำไมต้องหลับตาตากันหลับตาไปเกือบหมดห้องแนละ้เคยได้ยินผู้ที่เจ้าสอนสมาธิไหมทิกสูตรทั้งหลายให้เธอคูบันหลังนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิเป็นท่านั่งที่ดีที่สุดของคนที่ไม่มีเก้าอี้นะ ให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดํำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้หายใจเข้ายาวไม่มีคําว่าหลับตาเลยที่สูตทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวนั่งดูร่างกายหายใจนะลองทําสมาธิชนิดนี้ดูนะไม่ต้องรีบหลับตาพอหลับตาเนี่ยจะเคยชินที่จะน้อมให้ซึม นะลองลืมตาปฏิบัติได้ไหมแล้วเดี๋ยวตามันหลับเองนะแเดี๋ยวมันจะหลับของมันเองเพราะจิตสงบลงไปนี่นั่งนั่งดูร่างกายหายใจไปแล้วถ้าจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันลองดูนะลองดูสักสองสามนาทีก็เห็นแล้วล่ะเห็นไหมบางคนจิตไหลไปที่ท่านผู้มยการนึกออกไหม จะหลับตาก็ได้นะแต่ว่าจิตเคลื่อนไปต้องรู้ทันอย่างขณะที่เรานั่งเนี่ยะถ้าจิตเราเป็นเคลื่อนไปนะให้เราเรู้อย่าท่านพูดในการนั่งนะี่จิตมันไหลไปมันเคลื่อนไปคิดอย่างี้แค่เรารู้ทันนั่งรู้ทันใจตัวเองไปจะได้สมาธิขึ้นมาคุณเสื้อเหลืองคิด ไ, ไกลๆเลย จิตมนีนีไปค่อยๆถอยจิตออกมานะนั่งเป็นตัวอย่างหลวงพ่อไปเทศมาหลายที่ที่นี่นั่งสมาธิได้ดีกว่าทุกที่เลยนึกถึงบุญกุศลของเรานะถวายบุญของเราแต่พระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สัตว์ทั้งหลายกำหนดจิตไป เวลาจะออกจากสมาธินะหายใจแรงขึ้นหายใจลึกๆแรงๆยาวๆจะค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าถอยพลดพลาดออกจากสมาธินะปวดหัวนั่งได้ ด, ด, ดีมีคอสนั่งกันป่ะนะนั่งกันได้ดีสังเกตไหมตอนที่เรานั่งพอนานะ แต่ตอนที่เราแผ่ส่วนบุญเนี่ยจิตเราไม่เหมือนกันนึออกไหมตอนที่เราแผ่ส่วนบุญนะจิตเราสว่างขึ้นมาทำไมตอนนั่งจิตมันซึมไปหน่อยจิตมันซึมซึมเวลานั่งอย่าให้มันซึมนนั่งรู้สึกรู้สึกไปถึงจิตจะสงบนะก็สงบด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่เคลิ้มขาดสติไปพยายามรู้สึกตัวไว้สติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะ กระทั่งจิตจะสงบนะที่เรานั่งหายใจไปจิตสงบรนะ่างกายหายไปนะยังไม่ขาดสติเลยนะใจไม่ได้หลงฝันเคลิ้มๆไปมารู้สึกไปหลวงพอไปเทศแลนั่มนั่งสมาธิพบก็หลายแห่งนะที่นี่ดีที่สุดเลยนั่งได้ดีสังเกตไหมพวกเราจํานวนมากเลยนั่งแล้วจิตใสไปใสามานึกออกไหม ตอนนั่งทีแรกจิตสายสายใครเห็นจิตที่ใสาบ้างงนะั้งนเวลานั่งสมาธินะอย่าไปบังคับจิตจิตมันใสาก็แค่รู้นะเหมือนเราเห็นคนอื่นเราไม่ต้องเข้าไปแทรกแสงถ้าจิตมันใสาแล้วเราเกิดราําคาญให้รูวร้วนะ่ารําคาญแล้วจิตมันค่อยสงบลงมาเรารู้เนื้อ ร, รู้ตัวอยู่ไม่ให้ขาดสติถ้าหายใจถ้าภาวน า, นาหายใจแล้วก็ละเอียดละเอียดแล้วลเคลิ้ม มัวมัวไปมืดมืดมัวมวนะสติอ่อนไปแล้วสมาธิล้าหน้าสติอ่อนไปหายใจให้แรงขึ้นนิดหนึ่งกระตุ้นความรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นเราจะต้องกระทั่งจิตรวมนะก็ไม่ขาดสตินะไม่ใช่จิตรวมแล้วหมดสติลืมเนื้อลืมตัวไม่ดีเลยสติจําเป็นมากถ้าเราฝึกตัวเองให้เคลิมไปเรื่อยๆจิตมีโมหะถ้าจิตเราคุ้นเคยกับโมหะแล้วเราตายด้วยจิตชนิดนั้นเราจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไม่ใช่เรื่องดีเลยังนั้นพยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกเรื่อยๆหายใจไปแล้วรู้สึกเหตอนาที่เราเริ่มนั่งใหม่ๆรหลับตาเงี้ยเราหายใจเราจะเห็นเลยจิตเราเที่ยวสายไปสายมาบางคนก็เที่ยวสายว่าจะไปดูอะไรดีเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีให้รู้ทันว่ามันเที่ยวหาอยู่มันสายอยู่รู้เฉยๆรู้สบายๆเหมือนดูคนอื่นไปเยือยอยอย่อยน่าจะมันจะค่อยๆนิ่งๆรู้เนื้อ ร, รู้ตัวไม่ขาดสตินะ และถัดจากนั้นถ้ากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจหรือความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในใจเราก็คอยรู้เอาเช่นนั่งไปนั่งไปจิตสงบรู้ว่าจิตสงบนั่งแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนี่คือหลักที่ผู้เช้าสอนไว้นะดูกพระภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านเมืนะ่อจิตหดหูรู้ว่าจิตหดหูนะรู้อย่างที่เขาเป็นเรื่อยๆการที่จะฝึกสตินะั้นไม่ได้ฝึกด้วยการบังคับตัวเอง แต่ฝึกด้วยการรู้สภาวะอย่างที่เป็นบ่อยๆสตินะั้นสิ่งที่ทําให้สติเกิดนะั้นไม่ใช่เพราะเราสั่งสติเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้สติเกิดจากทีระสัญญาทีระคือคนไทยใช้คําว่าสะเทียนนั่นเงสัญญาคือความจําได้จําได้อย่างแม่นยำงั้นเราอยากจะฝึกสตินะเราก็มาหัดดูสภาวะให้แม่นยําเช่นเรานั่งสมาธิอยู่ใจเราสายรู้ว่าใจมันสาย ต่อไปทั้งๆที่ไม่ได้นั่งสมาธินะถ้าใจสายปุ๊บมันเห็นเองเลยจิตสติจะเกิดขึ้นมาเนะนี่เมื่อกี้ขอให้สอนเรื่องสตินะถ้าจะฝึกสมาธิก็ให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะสมาธิจะเกิดนะถ้าอยากฝึกสติก็คอยรู้ทนันสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นในจิตคอยรู้ทนันพอจิตมันจําสภาวะได้แม่นนะเช่นมันเห็นบ่อยๆมันก็จําแม่น พอความแปลกปลอมเกิดขึ้นในจิตนี้เดียวสติระลึกได้เองเลยไม่ได้เจตนาระลึกเราจะต้องค่อยๆฝึกจนสติสมาธิปัญญาเป็นอัตโนมัติถ้าไม่เป็นอัตโนมัติอริยมรรคจะไม่เกิดนะตรงที่สติสมาธิปัญญาเนี่ยเราต้องฝึกเรื่อยๆอย่างถ้ากิเลสเกิดเราคอยรู้กิเลสเกิดเรารู้นะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดเราก็รู้โดยไม่ได้เจตนาอยทีนี้เรียกสติอัตโนมัติมันเกิด สมาธิอัตโนมัติเนี่ยถ้าจิตเคลื่อนไปจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันจิตจะตั้งมั่นต่อไปทั้งๆที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นนะจิตเคลื่อนนิดเดียวมันรู้ทันนะสติรู้ปุ๊บจิตตั้งมั่นสมาธิอัตโนมัติก็เกิดแล้วก็ต้องฝึกเจริญปัญญาให้เห็นเลยทุกอย่างที่เกิดดับทั้งสิ้นทุกอย่างที่เกิดไม่ใช่ตัวเรานะเบื้องต้นอาจจะคิดนิดหน่อยต่อไปให้ดูของจริง จกระทั่งปัญญาอัตโนมัติเกิดคือไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดนะใจมันก็แค่สักว่ารู้ว่าเห็นแล้วมันก็รู้จริงเนะเกิดได้ก็ดับได้ต้องไม่มีเจตนาเหลืออยู่อริยมรรคถึงจะเกิดเพราะตัวเจตนาทางใจเรียกว่ามาโนสัญญาเจตนาเป็นปัจจัยให้จิตทำงานให้จิตทำกรรมนะจิตจะปรุงต่อไปปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงว่างบงบ้าง เนี่ยเราต้องมาฝึกเจนอัตโนมัตินะสมาธิอัตโนมัติคือจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตสติะระลึกอยู่ที่จิตโดยที่ไม่ได้เจตนาะระลึกนะปัญญาก็เข้าใจความเป็นจริงของจิตโดยไม่ได้เจตนาคิดพิจารณาเนี่ยถ้าอัตโนมัติได้หมดนะของจริงมันก็ได้ลนะฆ่ากิเลสตายคุณธรรมฝ่ายดีทั้งหมดเนี่ยจะพนึกกาลังกันลงมาที่จิตดวงเดียวในขณะเดียวกันไม่ใช่ศีลไปอยู่เวลาหนึ่งนะสมาธิไปอยู่อีกที่หนึ่งปัญญาไปอยู่อีกเรื่องหนึ่ง ไม่ประชุมกันจะต้องฝึกจนกระทั่งทุกอย่างอัตโนมัตินะมันรวมลงที่จิตที่เดียวเพราะฉะนั้นตรงที่เราจะต้องฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นเนี่ยสำคัญที่สุดเลยในคมภีร์ของเราในพระไตรปิฎกสอนว่าสมาธิเนี่ยเป็นภาชนะที่รองรับองมรักทั้งเจ็ดที่เหลือให้มาประชุมกันลงทิ่จิตดวงเดียวในขณะเดียวกันมันคล้ายๆการผนึกกําลังของกุศลทั้งหลายแหล่ที่เราเคยสร้างเคยทําทานรักษาศีลเคยทํากันคนละเวลา จนะ ต, ตอนเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยคุณธรรมความดีทั้งหลายจะประชุมลงที่เดียวกันคือที่จิตของเราในขณะเดียวกันนะนั่นแหละถึงจะมีพลังที่จะล้างกิเลสล้างสังโยชน์ล้างอาวิชชาได้นะมันคล้ายๆแปดเสียนนะต้องผันนึกกำลังกันสู้ปีศาจได้มาทีละเสียนปีศาจเอาชนะทุกทีเลยนะอริยมรรคก็ต้องเกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันนะต้องฝึกนะไม่ยากหรอกแต่ว่า ต้องฝึกให้เป็นนั่งสมาธินิ่งอย่างเดียวไม่ได้กินนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะสรุปหพ่อถามนิดนึงใครมีความสุขบ้างยกมือสิลองดูสิความสุขที่ที่มันมีอยู่ในใจเราเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้สุขแล้วรู้สึกไหมมันนิ่งแล้วมันกลายเป็นอุเบกขานี่แหละไม่เที่ยง เวลาดูจิต ด, ดูใจดูแบบนี้นะมันมีอะไรขึ้นมาก็รู้รู้แล้วก็จะเห็นว่ามันดับไปนะดูอย่างนี้แหละน้าเชิญเชิญลดับต่อไปจะเป็นการถวายสังฆทานที่เราทุกคนร่วมกันทำบุญนะคะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนาวอากาศรีประจักษ์สัจโสพลท่านกรรมการภูมิในการใหญ่เป็นตัวแทนในการถวายสังฆทานค่ะครับขอกล่าวนาถวายสังฆทานนะครับกล่าวพร้อมกันนะครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายข อ, ขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ดแด่หลวงพ่อปราโมทปราโมโม ช, โโมชขอหลวงพ่อได้โปรโ ด, ด, ปดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว สิ้นกาละนางเทิญตั้งใจรับพรที่จริงพระยะถาไม่ได้แปลว่าให้พร น, นะยะถาก็เป็นแค่คำสอนอีกอันหนึ่งนั่นแหละบอกว่าคำทานทีละน้อยทีละน้อยนะสะสมไปก็เยอะขึ้นลงท้ายท่านก็บอกว่าการที่เคารพผู้ใหญ่เป็นเรื่องดีนะที่ว่าอายุวันหนสุขังพลังเกศจัด เรารู้จักเคารพก่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อย่างที่นี่ก็ต้องเคารพผู้นวยการถึงจะอายุวันโนสุขังพลังไมื่งั้นไม่หรอกนะนั้นไม่ใช่คําให้พรที่ไรสาระหรอกนะจริงๆมันเป็นคําสอนนะนี่เราแปลไม่ออกเราก็นึกว่าพระให้พรนะแต่ไม่เป็นไรเขาให้มันหนาเราให้ต่อนะยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาครางังเอวาเมวาอิโตทินนางเปตานางอุป ก, ะกะปฏิ อิชิตังปฏทิตังทุมหังคิพเมวาสมิจตจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทพนรโสยถ า, ามณิโชติระโสยาาัฐาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโรคโควินัสตุมาเทภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังอุทธาปจายิโน จตารโรธรรมาวันตียอายุวันโนสุขขังพะลังลองนะลองไปฟังซีดีนะแล้วลองมือดูของจริงจริงเดือนสองเดือนก็เห็นผลไม่ดีจริงไม่ต้องมานับถือกันก็ได้นะ